เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นแล้วณบัดนี้วันนี้วันพฤหัศบดีที่18กรกฎาคม2556ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมาเสงห่าวันนี้ก็เช่นเคย เมื่อชื่อว่ารายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอาตมาก็จะบรรยายคนเดียวไปก่อนครึ่งรายการประมาณหนึ่งชั่วโมงหมนี้ชักเกินเกินะว่าคนเดียวเนี่ยเกินเวลาเขาเกินเกินชั่วโมงหนึ่งไปด้วยแล้วก็จะตอบประเด็นตอนท้ายอีกประมาณครึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งรายการมีสองชั่วโมงวันนี้มีผู้ทิตตั้งประเด็นมา ตั้งใจจะมาเอาคําถามคําตอบอะไรนี่ไปไม่ใช่เอาคําถามเราเขาถามมาอาตมาก็ตอบไปจะเอาคําตอบนี่ไปให้ไปใช้เป็นประโยชน์อะไรจองเลยโอ้ดีจังเลยอาตมานี่มีกําลังใจนะมีผู้สนใจเห็นมีสาระมีความสําคัญที่จะเอาไปทําประโยชน์ไปใช้ประโยชน์นี่อาตมาก็แม่จริงๆอาตมาไม่อยากจะเสียเวลานะแต่ขอเล่าหน่อยหนึ่งเถอะ อาตมาเองอาตมาอายุย่างแปดสิบนะย่างแปดสิบพอได้ฟังคำนั้นแล้วเนี่ยนะอายุมันแม่มันลดลงไปอีกที่จริงที่อาตมาจะพูดนั่นคืออาตมาไปตรวจหัวใจมาหมอเข้าเครื่องตรวจอย่างนี้เลยอะไรตรเมาโ อ, โอเครื่องสมัยใหม่เขาเนาะเห็นหัวใจเต้นทังโน้นอย่างนี้เข้าวัดเลยวิชาการคนเข้ามาเลยเสร็จจบ เขาก็บอกว่าอาตมาโอ้โหลูกพ่อเขาว่างั้นเลยนะหัวใจลูกพ่อเนี่ยเท่ากับอายุส<อ>ิบแปดอาตมาบอกโอ้โหคุณเอ้อาตมาแปดสิบอาตมาแปดสิบนะย่างแปดสิบจริงๆรงไม่ได้โกหกแล้วบอกอาตมาอายุสิบแปดก็เครื่องมันยืนยันมันบอกอายุสนะิบแปดเท่ากับห น, นุ่มอายุสิบแปด เขาว่างั้นอาตมาก็พูดไปเล่นไปนะจริงๆครับจริงๆครับเขาว่าอ้าวก็ต้องเชื่อเขาอาตมาว่าจะพูดว่าอาตมาเมื่อกี้เนี่ยว่าอาตมาถึงแม้ว่าอาตมาจะอายุปูนนี้นะถ้ามันมันจะเรียกว่าแก่เนาะแปดิบเนี่ยมันต้องแก่แล้วก็วเรียกว่าแก่อาตมาก็คิดว่าอาตมาก็ยังมีกระจิดกระใจที่จะเต็มกําลังในการที่จะทํางานนี้ต่อๆไปอีก แม้จะอายุปูนี้แล้วแต่ถึงยางไรหมอเขาก็บอกว่าสิบแปดไปได้นะ่ะอัตมาไปตรวจสมองนี่เขาก็บอกอายุเท่าไหร่สมองอ่าปอดนี่เขาบอกประมาณอายุยี่สห้าฮะฮะสมองอ่ะสมองประมาณสามสิบห้า ปอดนี่ปมาณคนอายุยี่บห้าอะไรเนี่ยนี่ไปบอกหัวใจบอกโอ้โหอายุตั้งสิบแปดอะไรนี่มันไมน่ะเอาละพูดไปอาตมาไม่ได้หลงไหลไม่ได้เพอ้อคลั่งไปกับไอ้ที่เขาพูดเขาตรวจระดับนะั้นก็ก็ต้องรับฟังในฐานะที่อาตมาตั้งใจอยู่อย่างแท้จริงว่าอาตมาจะทํางานไปให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้เพราะอาตมาก็ยังไม่ศูญเปล่าอาตมาทํางานมาสี่สิบกว่าปีแล้วนี่ไม่ไม่เป็นหมัน ได้ประโยชน์ผู้คนรับได้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชีวิตดําเนินวิถีชีวิตใหม่มาในทิศทางโลกุตระอัตมาขอใช้คํานั้นจริงๆมาทิศทางโลกุตระจนกระทั่งเป็นมวลหมู่จนกระทั่งเป็นสังคมจนกระทั่งเป็นสังคมสาธารณะโภคีได้ยุกพระพุทธเจ้าขออาภายัยแต่ไม่ได้ไปข่มข่มอะไรใครหาไปอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ ม่นคนละกาละสมัยกาละนี่มันทําได้จริงเพราะว่ายุคนี้คนมันเจริญทางความคิดอ่านแล้วมันก็เป็นไปได้นะตรงนั้นก็เลยมีกรารกระจายยิ่งพูดเกินไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าผู้ที่สนใจแล้วก็มาใกล้ถามอะไรไรเพื่อที่จะเอาคําตอบ ไ, ไปไปถ่ายทอดหรือไปทํางานต่อไปอีกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติไปอีกอาตมาก็ยิ่งรู้สึกว่าดีก็รู้สึกดีใจนะ นี่พูดทางภาษาโวหารก็ว่าไปงั้นอัตมาก็จะตอบประเด็นดังกล่าวนี้ตอนท้ายนะรายการที่มามีปดประเด็นมาแล้วส่วนปัญยายนี่ก็มีอีกแหละคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่โอนะเอาบอกงี้ก่อนตามธรรมเนียมพูดจะส่งประเด็นมาก็ไม่ปิดประตูหรอกถึงแม้จะมีประเด็นมารอแล้วก็ตามคุณทั้งบ้านก็ยังส่งประเด็นมาได้นะเบอร์โทรศัพท์ตามเคยนะ เดี๋ยวเขขึ้นทางจอโทรทัศน์แต่เมื่อจะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเขาขึ้นได้ทางจอโทรทัศน์กระจดเอาได้ทั้งนั้นถ้าทางวิทยุไม่มีจอโทรทัศน์ก็ฟังเอาเบอร์โทรศัพท์อฐตมาจะบอกทวน2ครั้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นมาได้นั้นคือ0 8 8 5 8 5 9ดแปหกับ0 8 8 5 8 5 9ดแปหนึ่งหน เอาอีกทีหนึง่งศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหก่าส่งมาเลยตั้งแต่บัดนี้ถ้าจะส่งทยอยมาเอาทีนี้เข้าสู่รายการน่าเอ่อ ของคุณเมื่อวานนี้อาตมาไม่ได้ออกโทรทัศน์นะแล้วก็ยังไม่มีเอ s เอมเอมาให้จากเมื่อวานนี้แต่วันที่สิบหกนะพอเสร็จคุณ น, นี่ก็ส่งมาเลยคุณแปดเจ็ดูนย์ห้านะแล้วก็มาเห็นต่างแสดงความเห็นต่างมาทันทีว่ากายของคนนะกายของคนใช้คำว่ากายเนาะ ถึงคำว่ากายนี่ี่มันเป็นปัญหาที่อาตมาว่าคนไทยในเข้าใจคำว่ากายยังไม่ชัดเจนในความหมายของบาลีในวิชาการในศาสนาพุทธ อ, อันนี้แหละอาตมาต้องทำการเข้าใจกันแล่คนคิดว่าไม่ง่ายยากนะเอาต่อกายของคนประกอบด้วยสองส่วนคือหนึ่งรู ป, ปกายในึงเล็บเท่ากับรูป2ี่แป สองนามกายคือใจในหมเล็บเท่ากับมโนที่ตั้งอยู่ที่ฮัทไทยรูปซึ่งใจนี้แหละคุณนี่เอาคำว่าใจมาเรียกเลยนะเรียกนามธรรมาคือใจนี้แหละเป็นที่เกิดแห่งจิตวิญญาณพร้อมด้วยสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมณสิ ก, การ แม่ตอนนี้จะพูดอะไรไปด้วยกันมาด้วยกันครบคันดีนะคุณแปดเจ็ดศูนหนากับอาตมาพูดตั้งแต่อาตมาเอาตําราเอาพระไตรปิฎกมาพูดไปด้วยกันมาด้วยกันอย่างหลายๆอย่างไปด้วยกันแต่ก็มีนัยยะที่ต่างฟังให้ดีเดี๋ยจะได้ชี้บายอย่างสําคัญมันนี้นะซึ่งใจนี่แหละเป็นที่เกิดแห่งจิตวิญ ญ, ญาณพร้อมด้วยสัญญาเอาสัญญาขึ้นก่อนเลยนะสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมานสิการซึ่งเจตสิกทั้งห้านี้ ย่อมเป็นนามแม่ผุดทุกถูกนะย่อมเป็นนามไม่ใช่รูปนะจ้องเป็นนามที่ไม่ใช่รูปฟังให้ดีนะเขาเขาเน้นมันจ้องเป็นนามไม่ใช่รูปอยางอย่างไออย่งไอสิบารที่จะยาวอ่าไมารู่แต่โพธิรักดันมั่วไปบอกว่านามทั้งห้านี้ถือเป็นว่ารูปด้วย เขาเข้าใจวาถมาไปถือว่าหาอันนี้เป็นนามอย่างเดียวไม่ใช่รูปไปโพธิรัตนเป็นดันมั่วว่าเป็นรูปด้วยนะที่เรียกว่านามมารูปไงนะอาจมายืนยันด้วยว่าเป็นนามมารูปไงนะและปัดนี้ก็ยังยืนยันอยู่นะเดี๋ยวค่อยอธิบายคืออธิบายแถมยังอ้างว่ากายปัสจัติเกิดจากเวทนาที่สงบไงนะกายปัจสัทธิ เกิดจากเวทนาที่สงบไงแต่หารู้ไม่นี่เป็นความเห็นของเขานะแต่หารู้ไม่ว่ากายปัจจัติในที่นี้หมายถึงกายที่เป็นนามเท่านั้ น, นฟังให้ดีนะเขาพูดมาแต่ต้นแล้วเขาแยกคาว่ากายกับรูปออกไ้หน่อยนึงเขาบอกว่านามไม่ใช่รูปเลยเพราะฉะนั้นไอที่ว่า สัญญาเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะห้าเจตสิกห้านั้นมันไม่ใช่รูปเลยมันเป็นนามเท่านั้นของเขาคนนี้ของเขามันน า, ามเท่านั้นแต่อัตมาไปบอกว่านามด้วยก็ยใช้คําว่านามมารูปนะทีนี้เขากดโยงไปถึงกายปัจจัติที่เป็นสาวิจการนี่แหละมีแฉเขาก็ยอมรับไอ้กายปัจจัติอัตมาบอกว่านี่แหละเป็นนามมารูปเขาบอกว่าอัตมาเอาไปอ้างมาเป็นเวทนาที่สงบนี่เป็น เป็นนามเป็นนามารูปเขาก็บอกว่าหารูปใบว่ากายปัจจุทธนในที่นี้หมายถึงกายที่เป็นนามเท่านั้นกายที่เป็นนามเท่านั้นนี่ใช่หมายถึงกายที่เป็นรูปยีสิบแปดเลยดั บ, บชมชันลงไปเลยนะฟังให้ดีนะพวกเราก็ดีพวกเราก็ฟังดีๆพวกเราทั้งหลายก็ตามเขาบอกว่าไม่ใช่รูป เน้นไปอีกว่าไม่ใช่รูปยี่ปดเดี๋ยววันนี้อาตมาจะสาธยายรูปยี่แปดฟังดีๆเลยนะทีจ่จริงอธิบายมาแล้วแต่วันนี้จะลงลึกแม่เวลาเอ้ยช้าๆหน่อยเน้ออย่าพุวิ่งเร็วนักเวลานะแต่เป็นโพธิรักคงจะงงกับตัวเองนะว่างงกับตัวเองว่าเมื่อเวทนาเมื่อเวทนาสงบแล้วอันเป็นเดียให้เกิดกายปัจจติสินะเวทนาสงบแล้วการให้เกิดกายปัจจิ กายคือองค์ประชุมปรสงบแล้วฉะนั้นโพธิรักจึงสรุปเลยว่าก็นี่ไงเวทนาจึงเป็นรูปแล้วสงบนี่เป็นรูปว่างั้นนะที่อาตมาไม่ได้บอกว่าไอ้ความสงบหรือไม่สงบไม่ได้เป็นรูปเลยรูปมันคือสิ่งที่ถูกรู้ไขไปหน่อยหนึ่งละยังไม่ได้อธิบายนะต่ว่าอธิบายตอนนี้ก็ไขไปนิดหนึ่งละรูปอาตมาบอกว่ารูปนี่คือสิ่งที่ถูกรู้เอาเดี๋ยวค่อยขยายต่อ เมตนาจะเป็นรูปแล้วเพราะหมายถึงกายปัจจุ thi ไงแล้วเขาก็ทิพากษาอาตมาจึงเห็นชัดว่าโพธิรักไปงงเองทิพากษาอาตมาไปงงเองว่ากายคือรูปเท่านั้ น, นเขาก็ตัดสินเลยว่าอาตมาในเข้าใจว่ากายคือรูปเท่านั้นเออ ข, ข, ขอขอแย้งไว้นิดนึงก่อนไไจะประเจดึง อาตมาไม่เคยบอกว่ากายนี่อาตมาบอกกายนั้นมีนามเป็นสําคัญนามเป็นหลักไม่ใช่รูปเป็นหลักด้วยคําว่ากายนี่มีกายที่ใดมีนามทั้งนั้นแต่แม่ที่สึกมีแต่กายคําว่ากายนี่มีแต่นามไม่มีรูปเลยยังได้เลยองประชุมที่มีแต่นามเท่านั้นไม่มีรูปยังได้เลยมันคนละาฟังที่เขาว่าอาตมาคนเรฟากฟังเลยจากที่เข้าใจผิดอาตมาคนเรากลับเลยนะถ้าต่อ โพธิรักษ์งงไปเองว่ากายคือรูปเท่านั้นสรุปว่าแม้แต่คำบัญญัติต้นๆโพธิรักษ์ก็ยังงงเองเลยเปรียบเหมือนขนช้างก็ยังไม่รู้จักเลยและโพธิรักษ์จะไปเอาตัวช้างออกจากผวยกาได้ยังไงกันจ๊ะเออเดี๋ยวถ้าว่างๆโมเดอรจะรล่ยาวให้ฟังออใจดีซะด้วยนะเนี่ยจะไายยาวให้เราฟัง บางๆเ่อใดตอนนี้ท่านคงงา น, งานเยอะาอาจจะรอว่างๆอัตอมาก็ที่จริงว่ากันต่อเอาอให้จบกันแล้วกันอีกประกาศหนึ่งเป็นเพราะโพธิรักยึดมัน่น ฝ, ฝังฝังหัวอยู่กับโลกใบนี้เท่านั้นตอนนี้ขยายความเองแล้วนะเป็นเพราะโพธิรักยึดมั่นฝังหัวอยู่กับโลกโลกกลมๆนี้เนใบนี้เท่านั้น จึงไม่เชื่อว่ามิติอื่นๆของโลกสวรรค์กับโลกนรกไปนั่นแหละตอนนี้อ่าโลกกลมๆลูกนี้เท่านั้นโลกสวรรค์อื่นๆจะเป็นมิติที่มันเป็นเทพวฟ์มั่งเถอะไม่เชื่อว่าอาตมาว่าไม่เชื่อว่ามิติอื่นคือโลกสวรรค์กับโลกนรกจะมีอยู่จริงๆเหมือนเช่นกับโลกมนุษย์นี้ได้เพราะโลกนั้นก็คงมีเหมือนโลกมนุษย์นี้ได้เนี่ยเขาว่ากั้นนะต่อให้ไอนสไตน์คิดจนหัวผุนะ ไปแหวกแบงอไอสไตน์ว่าต่อให้ไอสไตน์คิดจนหัวผุ ก, ก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ามิติของโลกมนุษย์พร้อมด้วยเอกภพนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนั่นแน่ไปเดาไอสไตน์ไม่รู้เลยว่าโลกด้วยเอกภ พ, พนี้เกิดมาได้ยังไงเอคนนี้รู้เก่งกว่าไ อ, ไอสไตน์น้องแม่ต้องคารวะสองจอกแล้วนะโอเคใครอาจมาไม่ได้ดื่มแบบแบบแบบแบบแบบนังจีนเขาต้องคารวะสองจอกหน้าเนคารวบคารวะกัน อาตมาลืมไปใช้จำนวนจิน <c oughs> น้ำชาได้นอจอกสองเจ้าน้ำชาออ่ า, อาจะเกิดเขาเลยบอกว่าอาไม่อาจจะรู้ได้ว่ามิติของโลกพร้อมด้ยวยเอกภพนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงกันแล้วฉไฉนเลยด็เตอร์โพธิรักษ์อาตมาไม่ใช่ดตต็ตรวิบวิบอะไรนะวิบวิบอะไรนะวิบ ว, ว, วิรพนใช่ไหมด็อกเตอร์วิรพนสุขคํา อ่าไม่ใช่นะอรรมาไม่ใช่ไม่เห็นด็อกเตอร์แล้วฉน่นไรเลยด็อกเตอร์โพธิรักจะดันไปคิดออกหรือว่าจะไปคิดออกหรือว่ามิติโลกสวรรค์จะเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันจ้าเน่่จ้าด้วยนะแล้วเมื่อคิดไม่ออกโพธิรักจึงไปสรุปเอาเองว่าพบนรกสวรรค์อย่างนั้นนะไม่น่าจะมีอยู่ได้จริงจริงหรอก ซึ่งเป็นความคิดอันเดียวกับเหมาเจอตรงอย่างไม่ผิดเพี้ย น, นาแวงไปต่อเหมาเจอตรงอีกทั้งนี้เพราะโพธิรักษารู้ไหมว่าไม่ใช่มีแต่พพสวรรค์นรกเท่านั้นที่เป็นอจินไตเพราะแม้แต่การเกิดขึ้นของโลกมนุษย์ใบนี้การเกิดของโลกมนุษย์ใบนี้พร้อมด้วยเอกภพก็เป็นอจินไตนเหมือนกัน ที่ไม่ควรคิดควรนึกเหตุผลนะอย่าไปคิดนึกเหตุผลนะมันไปของอ จ, จินไตยเพราะไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์มันา น, า น, า น, า น, านั่น่นตัวเอง ส, สมมุติมาเองนะว่าโลกใบนี้แล้วก็โลกสวรรค์โลกสมมุติมาเองนะมไม่ควรไปคิดนะ เ, เพราะไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ใครว่าไปคิดไปนึกไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้ แต่ยืนยันว่าโลกมนุษย์มีอยู่จริงชั้นใดโลกสวรรค์นรกก็มีอยู่จริงชั้นนั้นเหมือนกันถ้าไม่เชื่อก็ต้องรอครบร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะวาเงินด้วยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอาตมาก็ฟังแล้วอาตมาก็เข้าใจเข้าใจคุณแปด5จศูนย์ห้าหมดแหละนะคืออาตมารู้ว่าความเป็นรูปเป็นนาม ความเป็นรูปความเป็นนามของทิฏฐิของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นมีทิฏฐิอย่างไรเข้าใจคอนเซปต์ของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยว่าเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามอย่างไรเนี่ยอัตมารู้มันนานแล้วละ่ะนะเข้าใจรู้ว่าเขาเกิดความคิดอย่างนั้นอ่าซึ่งมันก็แน่นอนต่างกันกับอัตมาแน่และอัตมาก็ไม่ได้งงด้วยไม่ได้งงที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าจะพูดอย่างนี้ ไม่ได้งงอัตมาก็ไม่ได้สับสนของอัตมาแล้วก็ไม่ได้งงงคุณแปดเจ็ูนห้าเข้าใจชัดคุณคุณแปดเจ็ดศห้าพูดมาอีกก็ยังยืนยันอันเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอัตมาจะไปงงทําไมชัดเจนคุณบอกของคุณเนื้อตัวของคุณเนี่ยอัตมาเห็นชัดเจนไม่ได้ผิดเพี้ยนไปเลยนะ่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะ่ะไม่ได้งงไม่ได้สงสัยนะเข้าใจรู้ดีทุกอย่างเลยเพราะความรู้เท่าที่คุณมีนะ่ะอัตมามี ความรู้อย่างที่คุณมีนะอาตมามีและเคยผ่านมาแล้วด้วยนะแต่ว่าความรู้ในความเป็นรูปเป็นนามที่เลยมิติแห่งความรู้ที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้ามีอยู่เนี่ย ม, มิติที่คุณแปดเจ็ดศูนห้ามีอยู่นี่ความรู้ที่เลยมิตินี้ไปอีกเป็นมิติตา่างจากนี้ไปอีกที่อาตมามีอยู่ที่พูดอยู่เนี่ยคุณยังพยายามไม่ขึ้นหรือไม่พยายามอาตมา ก, ก็ไม่รู้นะ ก็ไม่รู้จริงๆอัตมาก็พยายามอธิบายอธิบายนะพูดซ้ําพูดวนนะแต่คุณก็ยังวนอยู่ในวิธีเดิมยังไม่ขยับขึ้นมาเลยอัตมาก็ยิ่งเห็นว่าเอ๊ะมันจะพอทําให้คุณขยับขยับขึ้นได้บ้งไหมเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามอัตมาว่าอัตมาพูดอัตมาบรรยายอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตีงูให้กากินนะ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอาตมาว่าผู้อื่นได้เข้าใจอยู่เรื่อยๆอาตมาก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรอาตมาก็รู้ถ้าต้องประโยชน์อยู่ไม่เสียไม่เสียรายอะไรนะส่วนคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านั่นก็คงจะไม่เปิดใจหรือว่าคงจะไม่เนี่ยอันนี้อาตมาก็อยากพูดเท่าไหร่เนาะไม่เปิดใจเนี่ยนะต่อีกอันนี้คือว่าคือที่อาตมาจะพูดก็คือว่า คงไม่ใช่เวนัยเจนสัจจะที่จะสามารถรู้ได้อ่ไม่อยากพูดเท่าไหร่นะ <c oughs> คุณแต่จะสุน่านี่คงไม่ใช่แล้วแหละก็คงจะเรียนรู้มิตรต่อไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เวนัยยะอย่างที่ว่านั่นนะก <c oughs> ็ขออภัย ท, <c oughs> ที่พูดอย่างนี้นะนพูดสัจจ์รรสื่อให้ฟังตรงๆนะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทําไงก็ต้องพูดให้มันชัดขึ้นนะเอาละมีมีไม่ใช่เอสแอนดเบามันส่ง พื้นนี้แผนนี้ให้อัตมาโดยตรงเลยคือคุณสุแดนทำนะผมอ่านเอสเมเอสของคุณแปดเจ็ศูนห้าที่เถียงว่าเอานาะเขาถกเขาไม่ได้ถึงเถียงหรอกเขาถกนะไปว่าเขาเถียงว่ารูปทั้งหมดมียี่สิบแปดรูปแต่โพธิรัตฝรั่งทําเกินนี่เป็นของคุณแปดจ็ดศูนย์ห้าเข า, าอ่ามาว่าโพธิโพธิรัตฝรั่งทําเกินดันไปเอาสัญญาเวทนามาเป็นรูปได้ไงว่างั้นนะ ก็เมื่อกี้นี่เขาบอกเป็นนานะมเมตนาสัญญาเจตนาปัสสะทั้งห้านะั่นนะทั้งหมดนะั่นเป็นนามไม่ใช่รูปก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าอาตมามันมีบอกว่ามีรูปอีกนะผมเข้าใจแล้วว่านี่คุณสุดแดนตานะผมเข้าใจแล้วว่าเขาไม่สามารถรู้จักคําว่ารูปที่เป็นกายเขาไม่สามารถรู้คําที่ว่าเป็นรูปที่เป็นกายเลยเขาไม่สามารถรู้เลย ซึ่งคําว่ากายนั้นเป็นนามธรรมคุณสุดแด น, นทำยืนยันนะกายเป็นนามธรรมแต่คุณนี่ยืนยันว่ากายเป็นรูปเท่านั้นนะเป็นนามธรรมที่ย่อมประกอบอ๋อก็กายเป็นนามก็มีกายที่เป็นนามเท่านั้นนะอาตมาย้ําว่าหารู้ไหมโอ้พระช่คุณแปดจัตุรนาทพูดเองเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่ากายปฏิสัทธิในที่นี้หมายถึงกายที่เป็นเป็นนามเท่านั้น เป็นนามในะกายนี่เป็นนามฉะนั้นนะทีนี้คุณสุเดชทำเรียกว่ า, เ, าเขาไม่สามารถรู้จักคำว่ารูปที่เป็นกายเลยซึ่งคำว่ากายนั้นเป็นนามธรรมา ท, ที่ย่อมประกอบไปด้วยขันสามเช่นนะต้องประกอบกายนี่จะต้องประกอบไปด้วยขันสามเสมอกายเนี่ย ประกอบด้วยขันสามเสมอจำไว้นะท่องท่องท่องให้จําเลยนะกายนีประกอบไปด้วยขันสามเสมอเช่นกายปจัจจทีในกายปจัจจทิเลยนะกายสงบแล้วก็คําเดียวกันที่ก็อ้างว่าอาตมาว่าเนะาี่ยกายปัจจทิย่อมได้แก่เวทนาสงบสัญญาสงบสังขารสงบ ดังหลักฐานในเล่มสมสิสี่พระเจ้าปิฎกเล่มสามสิบีมีว่านี่คุณซูดแด น, นทำไม่ได้พูดตัวเองเลยโคดอ้างอิงมาเลยนะข้อห้าสิบห้าหรือข้อสองร้อยสามสิบเก้ามีหลายข้อด้วยกายปัสสัธิมีในสมัยนั้นมีผู้ถามทิษุถามพระพุทธเจ้ากายปัจสัธิมีในสมัยนั้นเป็นไงพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบ การสงบการสงบระงับกลิยาที่สงบกลิยาที่สงบระงับความสงบระงับแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันปัสสัตติสมโพธชงในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่ากายปัสสัตติในสมัยนั้น แล้กายปฏิสัที่นี่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารหรือเปล่าแล้วเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นนามหรือเป็นรูปเป็นนามใช่ไหมน้เป็นนามนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คุณสุแดนทํำมาเหตุมาว่าจะเห็นได้ว่าแม้ไม่ได้กล่าวถึงรูปขันและวิญญาณขันเลยไม่ได้คือขันมันมีห้ากล่าวถึงเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้กล่าวถึงรูปขันและวิญญาณขันเลยแต่กายส่วนนี้ก็ย่อมมี ทั้งรูปและนามคือกายที่รวมเอาขันทั้งสามเป็นรูปที่ถูกรู้นี่เป็นความเห็นของคุณสุแดนธรรมซึ่งถูกต้องแล้วก็ยืนหยัดอ้างอิงคำของพุทธเจ้ามาแล้วนะซึ่งอาตมาก็อ่านไปแล้วนะ่าอาตมากําได้ว่าอ่านไปแล้วนะเพราะงั้นในความรู้สึกของความเข้าใจของคุณแปดเจ็ศูนยห้านั้นยังยากที่จะเข้าใจว่า คำว่ากายเนี่ยมันหมายถึงองค์ประชุมซึ่งอาตมาก็ายืนยันยืนันอธิบายอธิบายว่ามันหมายถึงองค์ประชุมแล้วก็ขยายความยกตัวอย่างมาแล้วยกตัวอย่างมาอีกแม้วันนี้ไม่มีฟ้กข่าวมาให้ยกอีกทีนะหลายทียกแต่ฟักข่ า, านเนี่ยมาเมื่วันน่ะเอามาเฟืองก็ได้เอา้ามีมาเฟืองอะยกมาเฟืองก็ได้นะมาเฟืองก็ได้เนี่ยอุปกรณ์ในการ ในการบรรยายในการสอนอุปกรณ์การสอนเดินมาไว้ได้เตรียมมือกาจา์พิษดาเนาะอาตมาจับได้อะไรก็เอากันเลยอันนี้นะมันเป็นผีชะนิยามหรืออันนี้เป็นอุตุนิยามนะเนี่ยอย่างนี้เป็นโลหะนี่ไม่มีชีวิตแต่นี่เป็นผีชะนิยามมีชีวะแต่เป็นองค์ประกอบ เป็นอนุปาทินากาสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณในนี้เพราะฉะนั้นไม่ประกอบด้วกาไม่ประกอบด้วยเวทนาไม่ไม่มีความรู้สึกไม่มีธาตุรู้ซืออาตมาจำได้ว่าเอาฟ้าข้าไปแตะสัมผัสกับไอ้ลูกกระท้อนลูกอะไรที่มีตอนนั้นบอกว่านี่มันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันมีสาตวิญญาณมันไม่รู้มีธาตุรู้นามไม่มีมันมีแต่รูปมันเป็นรูปะรูปปังเท่านั้น มันเป็นรูปะรูปัมันอยู่เข้ามันเดียวเดียวโดดมันจะกระทบสัมผัสกันยังไงมันอยู่ยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรมันก็ไม่มีรู้แต่ที่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ปรมัติตเนี่ยจะต้องมีท่ารู้ขาจากท่ารู้เนี่ยเรียนไม่ได้เลยเช่นอสัญญีสัตย์ทำให้จิตดับไม่รับรู้เนี่ยผิดหลักธรรมพระพุทธเจ้าเลยแม้ในสมัยใดที่ไปทำอสัญญีสัตยสมัยนั้นสูญโยจากพุทธ ไม่ใช่เลยต้องรู้ตลอดเวลารู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวนี่สัมมวลในพรัตติปิฎกเลยนะเพราะฉะนั้นจะสัมผัสรู้สัมผัสเห็นแล้วมีนามรู้มันจะต้องมีนามประกอบใช่ไหมไอ้ น, นี่มันไม่มีนามยังไม่รู้เลยสัมผัสปัจจุบันนี่มันไม่รู้เรื่องสัมผัสกระดองร่างทรมันไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าอธิบายขนาดนี้ยังไม่ละเอียดพอเนี่ย อาตมาก็คงจะต้องอาศัยหน้าต่างเด็กหญิงหน้าต่างมาอธิบายให้ฟังละ ม, มั้งอายุห้าขวบนะ่าเป็นผู้อธิบายใช่แล้วละ่นะน่ามันแมมันจะยังไงนาะนะเพราะงั้นในการที่จะรู้นี่นะตั้งแต่เริ่มต้นอาตมาจะอธิบายง่ายๆให้ฟังว่าอริยสัตว์จะต้องรู้ทุกข์ใช่ไหมคาว่าทุกข์นี่มันเกิดอยู่ที่มาเฟือง เกิดอยู่ที่สมเด็จปูอวิชาวิชิตอวิชาเนี่ยก้อนหินเหล็กแท่งอะไรก็แล้วแต่เกิดอยู่แม้แต่ผีช้านี่ก็ตามมันเกิดไม่ได้เกิดอยู่ที่เล็ บ, ลบผมขนฟันหนังก็ไม่ได้เกิดอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายของเราก็ไม่ได้ต้องเกิดที่วิญญาณหรือธาตุจิตนามมาทำทั้งหมด ทุกจะเกิดที่อื่นไม่ได้เลยจะไม่เกิดที่นอกข้างนอกข้างหนก็ไม่เกี่ยวต้องเรียนของตนเองเอกัคตาเอกะนีะ่แปลว่าโดยตนส่วนตนของตนสิ่งสำคัญคืออักคเอกะะัคคสิ่งยิ่งใหญ่อักคะคือยิ่งใหญ่ความรู้ที่ยิ่งใหญ่คืออัคคะเอกะของตนต้องเรียนอันนี้ของตนเอกัคคตา และเอกคตาที่ว่านี่คือนามธรรมทุกเกิดที่จิตจิตอยู่ที่ใดเกิดอยู่ที่นั่นทุกจะเกิดเมื่อมีผัสสะนะไม่มีผัสสะก็เกิดได้จากอรูปโดยสัญญาเพราะตายไปแล้วคุณก็มีนรกเมื่อคุณไม่หมดเมื่อหมดไม่หมดไม่หมดอุปทาน ไม่หมดตัวอนุสัยคุณก็มีทุกเท่าที่คุณจะมีหยาบกลางละเอียดที่เหลือมันเกิดจริงมีจริงแต่คุณนี่ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหาว่าอาตมาว่าตายแล้วไม่มีนรกมีสวรรค์มีแต่เหมือนเหมาเจิ้อตุง้งมีสวรรค์นรกโลกมีแต่โลกลูกนี้ลูกเดียวโลกอื่นไม่มีเนี่ยฟังไม่ได้สับจับมาเกรเดียกก็มาตู่คาสอนคําพูดคําอธิบายของอาตมามอดนะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ย นะเพราะงั้นฟังตรงนี้คนที่จะรู้ทุกก็คือคนต้องรู้เวทนาต้องอ่านเวทนาในเวทนาเป็นถ้าคุณจับจิตที่เป็นเจตสิกกับเวทนาจิตนี่คือส่วนหนึ่งคือเจตสิกและเจตสิกนั้นวิชาการภาษาวิชาการกําหนดล่วงไปก็ว่าเรียกว่าเวทนาเจตสิก แล้วเวทนาเจตสิกนั้นอัตมาก็แจกมาแล้วเวทนาเจตสิกถึงร้ 108. อยแปดร้อยแปดบาคุณจะอ่านเวทนาร้อยแปดนี่ไม่เป็นคุณเป็นอรหันต์ไม่ได้คุณต้องเข้าใจเวทนาร้อยแปดแล้วจะเป็นอรหันต์ต้องรองรับถึงขั้นหมดอวิชชาข้อที่เจดทั้งส่วนเป็นอดีตส่วนเป็นอนาคตที่ศูนย์อย่างนิจจังทุวังสัสะตังอวิปรินามธรมังสังรังสังกุปปัง ต้องเป็นเช่นนั้นจึงจะเป็นคุณสมบัติอันสมบูรณ์ของผู้ที่จบกิจนะต้องมั่นใจว่าเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรปรวนศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นอนาคตมันคือสิ่งที่ไม่มีมาถึงหรอกมันมาถึงเมื่อไรมันมเป็นปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติเวทนาร้อยแปดจึงปฏิบัติทั้งสามกาละแต่อนาคตมันไม่เป็นการละที่เป็นสมัย สมัยคือต้องปัจจุบันนี้ขณะนี้สมัยยะคือขณะนี้ปัจจุบันเนี้รู้อยู่ศูนย์ตรงนี้อนาคตก็คือต้องเกิดจากสมัยที่คุณสั่งสมเป็นอดีตจนกระทั่งมันตกผลึกมันจนกระทั่งมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณแน่นอนมั่นคงเที่ยงแท้ทิศจังทูวังสัตตังอภิปณินามธรรมังสังเดียงสังุปังนั่นแหละคุณจึงจะตอบตัวเองได้ว่าคุณจบกิจเพราะคุณมั่นใจในเวทนาอันสงบ เมื่อกี้ไปแล้วนักกายเวทนากายประสัตธิคือกายคือเวทนาสงบสังขารสัญญาสงบสังขารสงบไม่ต้องพูดย้ำซ้าซากอีกอ่างอิงของพระพุทธเจ้าก็อ่างแล้วนะเพราะฉะนั้นเวทนานี่สงบแล้วสังขานี่สงบแล้วสัญญานี่สงบแล้วองค์ประชุมนี้สงบจากกิเลสไม่จะสงบคือมันแข็งทื่อมันไม่รู้เรื่องสัญญาก็ไม่ทํางานทําหน้าที่ไม่เป็นไม่รู้อะไรสัญญากรรมไม่รู้เวทนาไม่มีอารมณ์ มีอารมณ์แต่อารมณ์นั้นเป็นอุเบกขาสิตเวทนาอยู่ในประมุนโมโนปวิจารในลักษณะของเนคขมะคุณแยกเนคขมะแยกขัดเคหสิตะไม่ออกไม่ชัดคุณก็ปฏิบัติโลกุตระธรรมไม่ได้นะเพราะการปฏิบัติธรรมวุธเจ้านั้นทีนี้ย้อนมาหาคำว่ารูปและนามนะย้อนมาหาคำว่ารูปและนาม อาตมาขออธิบายโดยวัวหารอาตมาเขาคร่าวก่อนแล้วค่อยไปเอาหลักฐานของพุทธเจ้ามาขยายความให้มากขึ้นคำว่ารูปนาในปฏิสุบัติเล่มสิบหกเอามาอ่านจนกระทั่งเปื่อยไปมากแล้วนะอ่านนี้ก็ได้ถือมาติดมือมาด้วยเนี่ยตอนนี้อาตมาไปไหนมาไหนหอไปต่างจังหวัดก็หอไปด้วยเล่มนี้เนี่ย นี่มันแหว่งออกมาอย่างนี้อาจจะมาพยายามไม่ให้มันหลุดไปเนี่ยอไม่เอาไปซ่อมหรอกเพราะว่าเทดเออีจนขาดหมดแล้วนะดีกว่าพระตา บ, บินดกเขาซื้อไปไว้วัดนี่นะโอ้ใส่กุญแจใส่ตู้ใส่กุญแจห้ามใครไปแตะด้วยนะไม่เอี่ยมอยู่ตลอดเลยยี่สิบปีสาสิบปียังไม่เอี่ยมอยู่เลยนอกจากพวกจะกินพวกจะกินก็เป็นทนะีนะไม่ดูไม่อ่านเลย อ่านกันี่ถึงมันขาดมันอะไรก็ซ่อมกันหมดหมดก็ซื้อใหม่แมหนังสือคนต้องอ่านนี่อ่านแล้วได้ประโยชน์ห่วงแหนอย่างเลยไม่อ่านหนังสืออัตมาเ็าคนเราเนา ะ, ะในพระไตรปิดกในเล่มนี้นี่ท่านตัดถึงปจิตจสมุมบาทอย่างชาัดเจนที่สุดเลยนะนะว่าจะพูดเองแล้วก็เอาอ่านเขาวพุทธยาก็ได้นามมารูปนะนามมารูปเป็นไนะ เมื่อกี้คุณไปเจสุน่าก็พูดแล้วเวทนาสัญญาเจตนาภาษามนสิกการเรียกวันนามมหาภูตรูปสแบบ่งเป็นรูปสองอย่างหนึ่งมหาภูรูปสองอุปาทายรูปท่านก็แปลเป็นไทยว่ารูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่เรียกว่าอุปาทายรูปด้วยภาษาวิชาการก็เรียกว่าอุปาทายรูปสนั่นแหละอันนี้เรียกว่ารูป นามและรูปดังพันมาชนินามและรูปพันนามาให้ว่านามคือห้านี้มหารูปมีอสองนี้นะรูปมีสองนี้เดี๋ยวฟังดีๆนะรูปมีสองนะมหาภูจะรูปกับอุปาทายรูปนะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่หลักวิชาพิธรรมอีกพออภิธรรมจะฟึ่งง่วงพูดอภิธรรมในพึ่งง่วงตั้งต้องลืมตาตีตาขึ้นให้มันไม่จะกี่เนาะแหก อ้อแขกวะขอเบิกเบิกเปล่งตาใชสัพไม่เคยสวยอเนะบิกตาขึ้นนี่กว้างๆนะ้อารณนามยังไม่พูดถึงก่อนนามห้าอย่างยังไม่พูดเดี๋ยวค่อยพูดผสมผสานเดี๋ยวจะอธิบายไปเอารูปก่อนนะ้รูปมีสองอย่างแบ่งไว้ในพระพิธรรมเลยอ้านะแบ่งไวสองอย่างคือมหาภูจรูปสี่ปุปาทายรูปอีก ยี่สิบสี่ไม่จะสี่นะท่านนี้ขยายจากสี่แล้วเมื่อกี้นี่สีนะ่นะเมื่อกี้เนี่ยอุปาทายรูปสี่ก็คือเนื่องออมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูปก็สี่อุปาทายรูปสี่ก็คือเนื่องจากมหาภูตรูปสี่อุปาทายรูปนี่คือรูปที่ถือเอาอุปาทายเนี่แปลว่าถือเอา อุปาทายะเนี่แปลว่าถือเอาเพราะฉะนั้นก็ถือเอาหรือยึดเอาหรือช่วยเอาอันเนี้ยคือจะต้องเอาอันนี้มาด้วยมาด้วยเอาเอาอ น, นิน้ำไฟลมสีเนี่ยมาด้วยนะมาด้วยนะอุปาทายารูปไม่ได้ทิ้งนะรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่ารูปประกายก็คือองค์ประชุมของทั้งรูปรูปถ้ามีแต่รูปรูปไม่มีนม้ำ มันไม่สามารถที่จะศึกษาธรรมะมันไม่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยตัดทิ้งไปเลยมาเฟืองบึกยกเมื่อกี้นี้หรือแม้แต่เป็นโลหะแม้แต่จะเป็นดินน้ำไฟล ม, มอะไรจ่เฉยก็แล้วแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะศึกษาธรรมะเพราะมันไม่มีนามมาทำจะศึกษาธรรมะต้องมีนามมาทำต้องมีจิตวิญญาณที่จะศึกษามีแต่เฉพาะรูปไม่ได้เพราะฉะนั้น รูปที่จะศึกษามันต้องเนื่องเกี่ยวรวมอยู่เียกว่ากายะต้องผสมภาษามีส่วนอยู่ด้วยแม้ที่สุดมีแต่นามเรียวานมามกายหรือนามมารูปอตมาบอกแล้วว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้ตาเรามีตาเราเห็นมาเฟือง มาเฟืองนี่ตามันก็มาชนกับมาเฟืองสัมผัสกับมาเฟืองเข้าเห็นไอ้ตัวเห็นนี่มาเฟืองมันเห็นหรือตาเห็นตาถ้าไม่มีนามมาทําไม่มีวิญญาณไม่มีธาตุรู้ที่จะทํางานอยู่กับตาจะเห็นได้ไหมคนตาบอดเห็นไหมอ่ะเสียง กระทบกับหูสิ่งที่ถูกรู้เสียงนั่นก็เรียกว่ารูปสิ่งที่ถูงรู้เรียกว่ารูปเป็นนามะรูปจิตวิญญาณเป็นตัวรู้ตากระทบรูปก็เห็นรูปก็นามเรียกว่านามะรูปเสียงกระทบหูจิตวิญญาณก็เป็นตัวรู้เรียกว่านามะรูปจมูกกระทบกลิ่นกลิ่นนั้นก็นามะรูป จิตวิญญาณเป็นตัวรู้ภาพจมูกพิษประสาทพิการพูดแล้วก็เมื่อยพูดอาจารย์กฤษดาขยายความตอนนั้นขยายจนกระทั่งบอกว่ า, าตาหนวกหูบอดอะไรนะจมูกพิจมู ก, มกบอดจมูกหนวกอะไรพูดเลอะไปอะ่ะาม น, มนพิการลิ้นก็ตามเพราะฉะนั้นแ ม, มน่มันไม่พิการมันไม่มีมันไม่มีมมตาหูจมูกดินกายปิดเจ้ะ เช่นคนนอนหลับหรือคนเข้าไปอยู่ในผวังปฏิบัติธรรมอยู่ในผวังคุณก็ไม่มีการได้รู้สิ่งที่เรียกว่าอุปาทายรูปเพราะมันเนื่องต้องเกี่ยวอุปาทายต้องช่วยเอาดินน้ำไฟลมนี้มาด้วยต้องถือเอาวันนี้มาด้วยนี่ไม่ได้ถือคุณเหลือแต่อารูปในใจมีแต่นามมาทำเฉพาะนามเป็นอารูปหรือนาม คุณจะรู้คุณก็ต้องยกสัญญาขึ้นมากําหนดปั้นเองหรือเอาความจําขึ้นมาคิดปั้นสร้างเอาเองตามคุณปั้นเองไม่มีคุณก็สร้างว่าเอออันนี้จะเป็นอันนี้คุณจะสมมติอะไรบบ่ บ, บ, บ่ขึ้นไปก็ได้เป็นจินตนาการเป็นนักเนรมิตอะไรก็ว่าไปแต่ไม่เนรมิตคุณจะเอาความจําขึ้นมานึกมันก็นึกได้จึงเรียกว่าสําเร็จด้วยสัญญาความจําความกําหนดหมายกําหนดหมายเอง ไอ้นี่ไม่ใช่กำนวลไม้เองเนี่ตามันกระทบรูปอยู่ตรงดย ก, ด ก, ดกหูมันไดกระทบเสียงอยู่หยกหย ก, กจ ม, มูกเป็นสมัยะเป็นขณะนี้สมัยสมัยะบัดนี้นะขณะนี้เลยปัจจุบันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยสมัติสมปฏิภาษาวิจารณ์บาลีบาลีตะบอกว่าสมปติปัดเดี๋ยวนี้นะซัมเรลทันทีทันใดเดี๋ยวนี้เลย ซัดเด่นเลยนะชักแอคใช้ภาษาฝรลง่งฝรั่งยังเก่งนักหนาเนี่ยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่สำคัญมันหลายอย่างหนึ่งสำคัญต้องมีภาษากระทบสองต้องเป็นปัจจุบันถ้าขาดภาษาไปแล้วมันไม่มีแล้วไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วจะเป็นก็เป็นสมมุติเป็นสิ่งที่ ลึกเอาสร้างแห้งๆบอกแล้วมันไม่ใช่สดไม่ใช่จริงเข้ามาเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าใจติดยึดอยู่แต่เพียงว่าเป็นรูปธรรมเท่านั้นเทปุกลาทิ่ฐานเป็นนรกสวรรค์เป็นต้นน่ะเป็นนรกสวรรค์หรือเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นผีเป็นผีหรือเป็นเทวดา พูดที่เคยชินเรียนมาว่าผีมีรูปร่างจิตวิญญาณมีรูปร่างผีหรือเทวดาก็ต้องเกิดที่จิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ที่ใดผีเกิดที่นั่นเทวดานอกจากจิตวิญญาณเป็นดินน้ำไฟลมเป็นอะไรตอะไรไม่มีมเกิดไม่ได้ไม่มีจิตวิญญาณเกิดไม่ได้จิตวิญญาณอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างเราก็เกิดในร่างเราเป็นผีในร่างเราเป็นของจริงเลยมาอยู่ในร่างเรา ก็เป็นผีเป็นเทวดาอยู่ที่นั้นมันก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่มันอยู่นั่นแหละอยู่ที่ตัวที่ตั้งหัตยรูปหัตยะเข้าเข้าไปบอกว่าอยู่ที่หัวใจสี่ห้องเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นดินน้ำไฟลมอันนี้หัวใจเนี่เป็นดินน้ำไฟลมเนะซึ่งมันไม่ใช่ปรมาตาร์ไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้เลยหัตยารูปก็ไปเข้าใจเป็นอย่างนี้ทังบอกว่าอภิธรรมเนี่ยตมาแยง หาวัาตมา ไ, ต า, าไปแย่งตําราขอ่าพยายามหน่อยเถอะตาราที่มันเพีย้ยนอาตมา ก, ก็ข อ, อยืนยันนะมันไม่ใช่พยัญชนะหัตถยะเนี่ยเป็นภาษาบาลีเขาไม่เพี้ยนหรอกแต่คุณมาแปลเป็นไทยแล้วแปลไทยคุณก็แปลถูกอยู่นะที่ตั้งแห่งรูปหัตถยะรูปเนี่ยแปลว่าที่ตั้งแห่งรูปที่ตั้งของรูปแต่ที่ตั้งเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่หัวใจอที่เป็นใน ฮาร์ดบอดี้หรือว่าเป็นฮาร์ดไออณัตุมีอัน น, นี้มันไม่ใช่มันเป็นสเปริชเชลมันไม่ใช่อัน น, น, น, Heart, body, Heart, น, นี้มันไม่ใช่ฮาร์ดไอบอดี้หรือฮาร์ดไออณัตุมีอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันตัวตนบุคคลเราเขามันดินน้ำไฟลมมันมหาพูตรูปแค่นี้คุณก็สับสน ไม่ใช่สับสนหรอกกาหนดยังไม่ถูกต้องกําหนดยังไม่แม่นยังยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังสัญญายังไม่เที่ยงไม่ใช่สัญญาไม่เที่ยงสัญญายังเป็นมิจฉาอยู่กําหนดยังไม่ถูกต้องยังไม่เป็นหรือทิฏฐิยังมิจฉานั่นแหละหรือความรู้ทั้งหมดทิฏฐิยังไม่สมาเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นรูปอื่นๆใดๆอัตมาจะเจาะเข้าไปที่ว่า ทุกข์สุขมันเกิดที่ไหนทุกข์สุขเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดที่จิตใจจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนจิตใจอยู่ที่ไหนทุกข์เกิดที่นั่นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ในกล้ามกาเรามีจิตวิญญาณไหมมันเกิดทุกข์เมื่อใด้สัมผัสแล้วมันเกิดทุกข <ở S 1> ์เมื่อได้อ่านมันให้เจออ่านอาการมันให้เจอทุกข์มันไม่มีหนวด ทุกมันไม่มีหน้าทุกมันไม่มีตาทุกมันไม่มีแขนทุกมันไม่มีขาทุกมันไม่มีผิวหนังทุกมันไม่มีโครงร่างมันไม่มีสรีระทุกนี่ผีหรือเทวดาผีนรกดิ้นรนเร่าๆเลยผีนรกเนี่ยนิรยะเนี่ยเปรตอดิ้นอยากอยากอยากอยาก แต่คนก็ไปเข้าใจว่ามันมีรูปร่างเพราะใครยังเข้าใจรูปร่างคนก็จะไปกําหนดแต่รูปร่างแล้วก็จะไปศึกษาเพื่อที่เราจะตาทิพย์เมื่อไรเราต้องเห็นรูปร่างผีจะตาทิพย์เมื่อไหรต้องเห็นเทวดามีรูปร่างแล้วเมื่อไหร่คุณจะไปเห็นของจริงอ่ะก็มันไม่มีรูปร่างอ่ะของจริงอ่ะปรมาติตนี่คือจิตเจตสิกรูปนิพพานและรูปตัวนี้ก็ยืนยันและอัตมาอธิบายมามากแล้วว่ารูปตัวนี้คือรูปประจิตอรูปประจิตมันไม่ใช่รูป รูปขันรูปเวทนาช ья สังขารนิญญานะมันรูปขันข้นขางนอกที่เกี่ยวกับมหาภูตารูปแต่รูปตัวของปรมัตถธรรมหรืออภิธรรมนี้จิตเจตสิกรูปนิพานรูปตัวนี้มันหมายถึงจิตมันไม่ได้หมายถึงข้างนอกมันเป็นนามกายหรือนามรูปอาตมารู้นะว่าที่ไม่เข้าใจกันเพราะว่ายึดมั่นยืนยันสอนกันมานานแล้ว ว่ากายคือร่างกายร่างกายแปลว่าร่างเนี่ยถ้าจะกำหนดบริบทว่าร่างร่างของมะเฟืองโครงร่างของมะเฟืองมันก็มีองค์ประชุมของมะเฟืองเรีวยกว่ากายของอออมะเฟืองก็ใช่ใช่ไม่ผิดหรอกต้องกําหนดบริบทให้ถูกนะอันนี้คือบริบทของอันนี้นะ แต่ถ้าบริบทของการปฏิบัติธรรมหรือมาเรียนรู้เรื่องรูปนามของมนุษย์กายคนประกอบไปรูปและนามกายของคนประกอบไปในรูปและนามเพราะฉะนั้นคุณจะต้องศึกษารูปและนามหรือกายของคนอย่าไปกำหนดของมาเฟืองหรืออนอื่นที่ไม่ใช่คนหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่เอโกไม่ใช่ ตัวเรามะมั่งไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวเรามีคําแทนกันทั้งนั้นอัตตาก็แปลว่าเราสักกะก็ได้ตัวเราเอกะก็ได้ตัวเรามันไม่ใช่ตัวตนเองอย่าไปเรียนรู้ทุกขจากตัวทุกขของผู้อื่นเหมือนอย่างคุณแปดเจ็ดสุน้าว่าเห็นก้อนทุกเดินขึ้นสะพานมา แ, แด้อดจจเจียดก้องทุกครั้งนั้นและทุกตัวเองรู้บ้างหรือยา้า เห็นทุกเวทนาของตนเองชัดเจนหรือยังไปเที่ได้อัดคอไปอัตมาจะบอกซอใ ส, สเกลือกไปเที่ได้รู้ไปดันไปรู้ของเข่าของตนเองเอาให้ชัดกว่เธออ่าเนี่ออกให้เห็นจริงเลยให้มียาเห็นทิพทิพนี่คือต่างาวิเศษยิ่งกว่าสามัญมนุษย์ในวัาทิพและทิพอันนี้ก็ไม่เสียเลยของเมจิคอลต่างๆ ท, ท, ท, ที่มันไปเกี่ยวของลึกลับอะไรๆนี่มันวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ของแม็กซิเชียนนักเล่นก้นไม่ใช่นี่ของจริงของนักวิทยาศาสตร์คนคนละคนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นต้องแม่นว่าคุณกำลังศึกษาตรงไหนศึกษาอะไรจับให้แม่นถ้าไม่แม่นไม่คมไม่ชัดไม่ลึกไม่แม่นพลาดแน่ๆเลยนามาทรมนี่มันคัมพีราทุตซาทุรโนโพธาน่มันลึกซึ้งละเอียดล อ, อ เห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากจริงๆนะเอาทีนี้คุณรู้ทุกขอสรุปลงตรงนี้คุณต้องอ่านเวทนาในเวทนาเป็นเวทนาคืออะไรคุณต้องมียานอ่านเวท น, นาได้ตาไม่ใช่ตาตาทิบหร อ, อาตาก็ได้นา ม, มันทาอะไรเลยกว่าตาทิบนะสามารถอ่านเวทนาและในเวทนา เช่นเกิดสัมผัสพับมันเป็นสุกมันปรุงแต่งปุ๊บเป็นสุกแววแวดาซึ่งอาตมา ก, ก็อธิบายอธิบายว่ามันเป็นสังขารแต่สังขารนีนเมื่อมันเป็นอารมณ์ของสังขารคุณฟังพอเข้าใจไหมไม่ใช่อาอตมาเอายัดเยียดเอาตัวหนังสือไปใส่ตัวหนังสือแต่สัจธรรมตัวสภาวะธรรมมันเป็นผลสัมผัส ด, ด้วยวิชาหรืออวิชาถ้าอาวิชามันก็ปรุงปุ๊บเป็นสังขารสังขารจิตมันคุณปรุงปุ๊บ ทั้งรูปประทมที่สมผลทั้งประชุมร่วมจไมดห้หมาได้แล้วนะเป็นกายยสังขารเลยคำว่ า, ากายรวมนามมาทําด้วยนะเป็นกายยสังขารแล้วมีจิตพอมันเป็นกายในถ้าคุณกําหนดแต่นอกไม่ได้มาอ่านใจของคุณเลยคุณกําหนดมาเฟืองมาฟืองคุณก็รู้แต่แค่มาเฟืองคือรูปร่างของมาเฟืองตัวตนรูปร่างสีสันข อ, ของมาเฟืองคุณไม่ได้อ่านใจคุณเลยมันก็ไม่เข้ามาที่ใจ ที่นี้คุณอ่านต่อเนื่องจากรู้จักสัมผัสมาเฟืองแล้วมันเข้าออมาข้างในมันจะเกิดเวทนาตามความรู้มาด้วยมาเป็นความรู้สึกจากความรู้มาเป็นความรู้สึกก็มาเริ่มมาเป็นกายในกายเป็นองปชุมกายนอกมาเป็นกายในเรียกว่าอุปาทายะรูปมันเนื่องต่อมาอย่างเงี้ยเรียกว่าอุปาทายะเอาอณิตรา ม, มาด้วยเรียกว่าอุปาทายะ มันถืออันนี้มาตามันไม่ได้วางนมันถือมาด้วยนะปุปาทายาบแล้ว่าถือออกมาด้วยโอมันต้องแสดงเืนนักแสดงนี่แะดาราตุ๊กตาทองเช่มานั่งแม่วันนี้ก็รู้สึกแน่นาแน่นอยู่พอสมควรเนาะเข้าใจกันดีไหมเนี่ย อาจมาพูดชัดมานานแล้วอาจารมาเนี่ยไม่ได้พูดจิตอ่างไม่ได้พูดเพี้ยนเพียนอะไรนะไม่ได้พูดสมเนียงเพี้ยนด้วยพูดชัดละเอียดนะพูดละเอียดมากเออพูดละเอียดมากค่อยช่วนะเข้าคพูดชัดเพราะงั้นแม่ดูถูกอาจามามาพูดไม่นก็ถูกต้องทุกทีพูดแปลงๆไงพูดพูดพูดทองแดงไงไม่ต้องแดงพูดชัดอยู่แล้วนะอ้าวต่อนะ บางท่าคุณอ่านกายในกายนี่ที่จริงก็คือสังขารหรือเวทนาสับสนไหมกายในกายที่มันเนื่องเข้ามาเป็นอุปาทายรูปนี่นะซึ่งท่านบอกแล้วว่ากายนี้หมายถึงหมวดเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารหมายถึงหมวดเจตสิกสามพระเจ้าิฎกย้ำ ม, มาแล้วตอนนี้มาเวทนาสัญญาสังขารตอนนี้เป็นสังขารเป็นเวทนาแนละ้ว คนก็พิจารณาในนี้แหละในเวทนาเนี่ยมันปรุงแต่งมาแล้วแล้วมันมาถึงขั้นเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกพอชอบนี้แล้วนอกจากเห็นรูปมันมาแล้วรูปมาแล้วมันก็เกิดกความรู้สึกเออเว้มันสุกเนอะเฟืองนี่อันนี้คงฝาดวะมันดิบอันนี้สุกเออมันคงมีรสหวานไหมเนาะหรือเปรี้ยวอยู่เนาะน่าจะหวานอ่ะกินมาเน่าหวาน เนี่ยคุณปรุงแต่งไปนะที่อาตมาพูดนี่คืออาการปรุงแต่งของจิตของคนที่ก็ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อคุณรู้สึกว่าหวานคุณชอบหรือบางคนชอบว่าเออของเปรี้ยวอร่อยดีแม่เด็กเกลือพริกหน่อยหนึ่งก็เนี่ยคุณชอบเปรี้ยวใช่ไหมคุณก็เกิดปรุงแต่งสังขารปรุงแตง่งทีนี้ถ้าคุณแตะข้าลิ้นเลยทีนี้ใช่เลยใช่เลย speculation มันใช่เลยที่เราบอกดยรถนี้แหละรถฉันชอบรถนี้แห้ะฉันสมมติไว้รถนี้แหละฉันยึดไว้ฉันจาได้ฉันต้องรถนี้เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยตรงสเปคเลยคุณก็ขึ้นสวรรค์หอ่อห่อเลยเป็นเทวดาเลยเพราะมันสุขเป็นอารมณ์ชอบเป็นอิทธารมณ์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเวทนาเลยคุณอ่านเวทนานี้มันเป็นนามธรรมานะ แต่มันถูกรู้คุณอ่านรู้คุณได้ฝึกหัดปฏิบัติ ร, รมพระพุทธเจา้ารู้นามรูปมีวิปัสสนาญาณอ่านนามรูปออกอ่านมันขณะมันเป็นรสอย่างนี้มันชอบอย่างนี้มันรสอย่างนี้ก็รู้รสแต่ถ้าคุณเป็นอาทหารรสอย่างนี้คุณก็รู้รสตามความเป็นจริงคุณก็ไม่มีชอบไม่มีชังคุณก็ไม่มีกินเลยต้องปรุงเข้าไปก็รสนี้เราเป็นสเปคลางแล้ว ละอุปทานสเปกนั้นแล้วอุปทานหมดแล้วตันหาก็ออกไปด้วยหมดด้วยจึงเป็นอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์กลางกางรู้ของจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นรู้ว่ามันเปรี้ยวก็เปรี้ยวขมก็ขมหอมก็หอมเหม็นก็เหม็นอย่างนี้แหละที่มันเป็นของมันอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นของมันมันมีเหตุปัจจัยของมันแท้ๆยังไงก็บหุของจริงแท้ๆของมันเท่านั้นเองไม่มีกิเลสกันไปร่วมปรุงไม่ปีโลกี โรกียรตโรกีอารมไม่มีแต่ถ้าคุณมีโรกียรตคุณก็ต้องรู้เหตุมันเฮยเรายาังติดมันเราชอบก็คือเราต้องรู้เหตุเราชังว่ายไม่ไว้ไม่เอาคุณก็ต้องอ่านเหตุเหตุมันชังหรือมันรักนี่แหละคือตัวการที่คุณจะต้องคุณมีสิ่งนี้เป็นกิเลสคุณต้องล้างกิเลสตัวนี้กําจัดกิเลสตัวนี้ โดยเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันพาเราทุกข์เราสุขทุกข์เราสุขมันอยู่ด้วยกันแต่โลกียะเนี่ยถ้าคุณดับเห็นแห่งทุกข์หมดสุขมันก็หมดด้วยจึงเป็นอุเบกขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเป็นเนกขมัสิตาอุเบกขาเป็นฐานนิพพานแล้วคุณก็ทําซ้ำทำจนกระทั่งเป็นอวิชชาข้อเจ็ดอย่างที่ว่าทั้งอดีตและปัจจุบันมันศูญตลอดกาลเลยอย่างมั่นใจเลยว่าคุณ แน่นอนแล้วคุณปฏิบัติอนเนินชาพิสังขารจนสมบูรณ์เลยอนุรักษณาประธานมาอย่างอาเสวนาภาวนาพระหุลีกกำ ม, มังจนมันมั่นใจว่าคุณตัดสินได้แล้วว่าแน่นอนมั่นคงจบกิจไม่มีแปลปว่ไม่เปลี่ยนแปลง อ, อีกทั้งปัญญาและเจโตเป็นสมาฮิโตเป็นวิมุต ไม่ใช่ยังมีเศษอวิมุตต์หรืออสมาหิตะอยู่ไม่ใช่เป็นอนุตรจิตสมบูรณ์ตามที่หลักตรวจสอบเจโตปริยานสิบหกคู่สุดท้ายอาสมาหิตังหรือสมาหิตังหรืออสมาหิตังวิมุตต์หรืออวิมุตต์เมื่อหมดอะ มันวิมุิแล้วมันไม่มีส่วนที่มันยังมีส่วนมันไม่มีมุิอยู่บ้างเนื้ธุรีละอองเท่าไหร่ก็ได้ตรวจจนหมดรูปปานสีแล้วแล้วเล่าล่าตรวจทั้งอาการาบิญญาัญจ า, ากินจัญญาเนวัญญานาสัญ ญ, ญาเจตนะจนเป็นสัญญาวริจิตตังนิโรธังโหติสมบูรณ์เกิดพ้นสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นก็จบ น, นี่เรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้เวทนา เนคขมาสิตะเวทนานั้นเป็นหมวหัวแทงเจตสิกสามมันสงบมันเป็นอุเบกขามันวิมุตตินี่เป็นกายปสัสจุบันเป็นองค์ประกอบมันประกอบตาก็ประกอบอยู่หูก็ประกอบสัมผัสอยู่นี่มาเฟืองก็ประกอบอยู่แต่กิเลสมันไม่มีแล้ววะจึงเรียกว่าโลภุตรจิตจิตอยู่เนื้ อ, อนนี้ไม่ตรงนี้อยู่ในกามมาพบเนี่ยจิตเป็นกามวาวจร อ, อยู่นี่แต่อเหตุตุกะ ไม่มีอะไรชักนําไม่มีเป็นอสังขาริกังอุเบกขามียานสัมปยุตตังอุเบกขาแล้วก็มีเป็นสัมยญนสัมปยุตคือมีปัญญารู้แจ้งหมดอสังขาริกังไม่มีกิเลสมาชักนําชักชวนให้มันเกิดกิเลสเลยเป็นกุศลอกุศลเหตุเป็นกุศลในหมวดอกุศลเหตุอย่างสมบูรณ์ที่คุณนี่หยิบมาเคยอับมาแย้งแต่มาสามสามอย่างเนี้ ยานสัมพยุตตังอุเบคากะอสังคาริกังที่เป็นตัวหนึ่งของกุศลกุศลเหตุหรืกุศลจิตสพนจิตส婆นเจตสิกหรือสพนจิตอันนั้นเป็นนามอันตมายยังไม่ได้ขึ้นไปถึงอธิบายนามมันอีกยาวอีกเยอะรูปแค่ยี่สิบแปดสี่รูปมหาภูตรูปส um ี yeah. <S <S <ain> ่ นั่นเป็นรูปที่จัดไว้ไปเป็นรูปของรูปโดยตรงรูปะรูปังแต่อุปาทายรูปนี้เมื่อรูปมันมีรูปที่เป็นรูปเฉพาะรูปรูปรูปังแล้วแล้วไอ้ที่เหลือมันเป็นอะไรอ่ะและคุณนี้บอกว่าคำว่ารูปมันรูปโมดยี่แปนรูปโมดเห็นไที่เขาพูดมาะตามที่เขาว่ามานี่คือรูปโมดในรูปยีแปดเลยนี่ไม่ใช่หมายถึงกายที่เป็นอ่า มาไม่ใช่หมายถึงกายที่เป็นรูปเลยยี่สิบแปดนี่ไม่ใช่เลยรูปที่เป็นรูปจริงๆเนี่ยแท้ๆเป็นกายแท้ๆของมันที่อาตมาบอกแล้วว่ากายมาเฟืองจริงๆเนี่ยนะแน่นอนมันมีแต่มหาพูทธรูปแต่ถ้ามีกายบอกว่าต้องเกี่ยวเนื่องกับจิตใจนะต้องเกี่ยวเนื่องกับจิตใจนะกายที่บอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณทิ้ง นามไม่ได้เลยรูปนามขาดกันไม่ได้และเกี่ยวเนื่องกัรูปแต่คุณจะอธิบายสูงสุดเวลาสูงขึ้นไปเป็นอาาคามีคุณไม่ต้องพูดถึงรูปข้างนอกแล้กกวก็ได้ก็เหลือมีแต่ น, นามอานี้เป็นต้นเอาอะไรจะพึ่งคินขึ้นถึงอนาคามีเลยนะเพราะฉะนั้นในอุปาทายรูปอีกยี่สิบสี่นั้นคอตะว้วันนี้เวลาหมดมีอะไรที่ต้องตอบอีกเยอะ แลดเหมือนคำถามก็มาประเด็นก็นมากันเยอะเลยเนี่ยโอ้โหวันนี้เด็กๆไม่มาส่งเรามีแต่ผู้ใหญ่มาส่งส่งประเด็นนวันนี้เป็นกระตักเลยอ่าแล้วประเด็นก็จะมาไว้อีกสองเจ้ามานั่งหน้าจอรออยู่ตรงนี้จะมันเอาประเด็นไปอีกเออเราต้องขอพักไว้นะไว้อธิบายกันวันแม่พรุ่งนี้อัตมาก็ให้ทางอบันรากออกพรุ่งนี้ทีจริงอัตมาออกนวะัดสุข แต่ผวกนี้ติดหน่อยเดินทางแล้วก็จะต้องไปที่เขานิมนต์ไว้ก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไรที่จะพร้อพลัดก็เลยก็เลยเผื่อไว้เอาไปไว้วันเสาร์วันเสาร์ผัดไปวันเสาร์วันเสาร์ที่จรงไม่ใช่รายการอัตมาหรอกแต่ว่าคณะที่ถ่ายทอดนี่เขาไปด้วยอัตมาก็เลยเอาวันเสาร์แต่วันเสาร์เอ้วันเสาร์จะอุ่นเพื่อไออุ่นนะมันก็ไม่ได้อีกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ ไม่วรรณอาทิตย์เอาทิศศีมาเนาะวันณอาทิตย์ศีม า, าโศกเอวิธีอริยธรรมเอานะเมื่อไหรก็เมื่อ น, นั่นนะอดใจรอหน่อยอาตมาก็มาโอ้โหมันสนุกนะธรรมะพระพุทธเจ้านี่แสนสนุกเอาไว้ลูกกิจสี่แหวกเวลานั้นอ้าตอนนี้อาตมาขอวัดตอบบรรยายผู้เดียวนี่มันเลยเวลาก็าไปนิดนึงละนะที่จริงมันก็เลยไปนิดเดียวจริงๆเพราะว่าเริ่มมัน หกโมงกว่านะอาตมาไม่ยอมหลอกสองชั่วโมงอ่ะ่ามันเริ่มสองหกโมงกว่าไปตั้งหลายนาทีก็อาตมาก็ต้องหักให้มันนะอาตมาบอกตามธรรมเนียมบอกเบอร์โทรศัพท์ผู้จะส่งประเด็นเข้ามาตามธรรมเนียมก่อนบอกเที่ยวเดียวนะวันนี้ไม่ค่อยงอคนส่งเท่าไหร่เพราะมันเล่มมันเยอะแล้วเลยบอกเที่ยวเดียวอเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขที่จะส่งประเด็นเข้ามาคือศูน แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกาสองหมายเลขนะอัตมากระจำหมายเลขตัวศั์ได้อยู่สี่หมายเลขสองอันนี้ก็ของสองที่บรราบเท่า น, นั้นแหละน่ะนอกน่าจำไม่ได้จริงๆอา้าวเริ่มต้น <c oughs> ปัญหาแรกคำถามบอกว่าท่านห่วงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ทีนี้จากนี้ไปหรือไม่ออมขอใหอตาตมาอ่านว่าผิดท่านห่วงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองจากนี้ไปหรือไม่เพราะประชาชนทนไม่ไหวออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลมากขึ้ น, นเรื่อย แนวเล็บกลุ่มหน้ากากขาวหลายคนห่วงจะมีการนองเลือดจะทําอย่างไรบ้านเมืองขณะนี้วิกฤตมากๆากท่านเค้นบทกรระยะหลังนี้แรงขึ้นนว่าอาตมาอาตมาเบาอยู่โอ้นี่เยอะอมมือแล้วนะอ่บ้านเมืองขณะนี้วิกฤต มากมากท่านเขียนบทกรอนระายะาหลังนี่แรงขึ้นแสดงว่าบ้านเมืองวิกฤตสุดๆแล้วหรือไม่ตัวอย่างเช่นมีหมู่ฝูงที่ดีรีบพลีชีบลุยโอ้ <c oughs> แม่หาว่าแรงโอยเบาแล้วแม่กวีการเนี่ยมันสุนทรีนะมันไม่ใช่เรื่องแรงเราต้องแรงต้องอย่างเขาซี้เขาแรงกันโอ้โหจัดจ้านโจกกันเสียบเข้ากันโอ้โหทั้ง ว่ากัโอ้โหปึกปึกปึกปึกปึกอ่นะอัตมาว่าอัตมาสัญหาภ า, ภาษาสัญหาดีลาอะไรอยู่เต็มไปด้วยสินธรีน ะ, <c oughs> ะที่บอกให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรจะไม่โดนอย่างกระบีเออกรณีแม้อัตมาอ่านกรณีเป็นกระบี อ่าจะไม่โดนอย่างกรณีเสอีอ้าอีกหรือหลายประเด็นเนาะเอาต่อไปทีละประเด็นอประเด็นแรกบอกว่าประชาชนจะทนไม่ไหวจะออกมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยห่วงมั้งไหมห่วงว่ามันจะเกิดการนองเลือดจะเกิดอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงห่วงอาตมาห่วงในพูดโดยโวหารไม่มาอยากจะพูดโกโก้เราใจอาตมาไม่ห่วงอะไรแล้วทำไมพูดมันก็โก แต่ว่าก็พูดไปตัวตามโวหารสมุติสัจจะอาตมาทํางานอยู่ทุกวันนี้จะพูดไปแล้วอาตมาก็าต้องห่วงนี่แหละเพราะว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องห่วงมวลมนุษยชาติก็ทํางานช่วยมวลนมนุษยชาตินี่เป็นธรรมดาเป็นโวหารสามัญ น, นะแต่จิตอาตมาไม่ได้ทุกข์เพราะห่วงหึงอะไรหรอกนะอันนี้เป็นนัยยะลึกซึ้งเป็นประมัตดก็ไปต้องพูดต่อคนจะเชื่อไม่เชื่ออาตมาไม่มีปัญหาหรอกนะ เรื่องห่วงประชาชนนี่ก็ทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเมตตาประชาชนสงสารก็ห่วงหรือว่าจะเรียกภาษาอะไรก็ได้ที่หมายความว่าเราปรารถนาดีต่อมนุษย์ไม่อยากให้มนุษย์เป็นทุกข์เดือดร้อนจึงออกไปทํางานและอาตมาก็ตั้งใจทํางานอย่างมีอุดมคติจริงๆที่คุณบอกว่ากลัวเกิดนอเลือดใช่ ในกรณีที่คุณถามมันจะไม่เกิดกรณีอย่างเสียอ้าหรือไม่อย่างให้เกิดสิแค่นั้นก็ไม่อย่างให้เกิดอยากให้เบากว่านั้นนะแค่นั้นเน่ะอาตมาก็พอแล้วแดงไปแล้วอาตมาถึงชวนเสียอ้าหยุดเอถอะจึงได้หยุดนะเพราะว่าอาตมาไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นมาแค่อาตมาเห็นแล้วซึ่งอาตมาก็ว่าอาตมาพอมองออกใน เจตนารมหรือจิตมนุษย์ที่มีอะไรแต่ไรพอสมควรอาตมากราอาตมาพอเข้าใจประมาณไปไม่ประมาทประมาณโดยไม่ประมาทจึงไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ดูได้ดีพอสมควรนะดูดีพอสมควรเพราะอาตมาได้ทํามาแล้วผ่านมาแล้วแม้ที่บอกว่า นะอาตมาได้พยายามไม่อยากให้เกิดความนองเลือดไม่อยากให้เกิดความรุนแรงอะไรนี้เป็นความตั้งใจถ้าใครติดตามทบทวนอาตมาเขียนอะไรอะไรบอกไปพูดก่นแล้วนะทําโบชัวทําหนังสือทําอะไรออกไปก็แล้วนะว่านิวโปรเทสมีอะไรบ้างนะมีอะไรมี ส, สงบสันติอะไร ฮ ะ, ะซื่อสัตว์บริสุทธิ์อะไรอะไรก็ว่าไปอหิงสาต่างๆก็พูดไปจนแล้วก็ทำจริงพยายามภาคเพียนปฏิบัติทำจริงๆไม่ได้พูดเล่นแม้ที่สุดเขามาทำเราเราก็ต้องให้เขาทำพอเราไปชุมนุมตำรวจมาตีเราก็ติถูกตีฟรีเราก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรเขาไม่มีอาวุธไม่มีอะไร คนไปหามีดพระกระทาขวานที่เขาทํากับข้าวกับเครื่องก็ไปหาเรื่องว่ามีพกอาวุธซึ่งจะเอาไปเอามากับบ้านเราไม่ได้อะไรพวกนี้สุดท้ายแม้นะ่ะขออภัยจะพูดต่อเนื่องไปลือฟื้นหน่อยใครไม่รู้ก็ไปติดตามประวัติศาสตร์เอาเองพาไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบดูข้างทำเนียบนั่นได้รับคําสั่งหรือรื่องอะไรก็แล้วแต่ อ, อตาตมาไม่รู้หรอก ขออภัยต้องขอออกนามเลยเธอผูกอะไรเดกอะไรผู้การแต้มาพาตำรวจออกมาเป็นทัพเลยตอนนั้นคืนนั้นอนตาตมานักมั่นใจว่าเขาจะเก็บเราเงียบเรียบร้อยแน่เลยที่ชาวโศกอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ไปทำทางมัคควานเขามาทำทางชมาุเชษที่พวกเราอยู่ เอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาหมดเลยเพื่อที่จะปราดอย่างรุนแรงมีมีน้่นมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแต่มาไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่าแต่แน่นอนมาหมดเลยเนี่ยทั้งเครนทั้งแบ็คโคทั้งอะไรก็อะไรก็ะปูหูต่างๆนะแม้แต่ทั้งคอนกรีตคอนกรีตลยมาเตรียมมาหมดเลยตำรวจมาเป็นกระตักเลยเพื่อที่จะร้มเพื่อที่จะล้างจริงๆเลยมาตั้งแต่ตีก่อนทีสองพกเรารู้ข่าวลงมาทีสองเราก็เลยเอาความสงบมาสยบความเคลื่อนไหว ที่อาตมาบอกกับพวกเราแล้วบอกทุกคนต้องสึหยบให้เขาทําเจ็บก็ต้องเจ็บก็ต้องอย่าไปตอบโต้เขาจึงลงนั่งมีภาพถ่ายชัดเจนยืนยันนั่งสงบตั้งแต่ตีสอยันหกโมงเช้าทางนอนก็ึกถัเอาจริงเลยไม่ได้เอาจริงเอาอยู่เลยไม่ได้เอาอยู่อะไรก็ไม่รู้แหละปรากฏว่าผู้การแต่งก็ถอยทับกลับไป คงจะเสียแต้มตอนนั้นน่ะสุดท้ายต้องมาลาออกไปไม่รอดแล้วเขาต้องเปลี่ยนต้องย้ายแล้วก็เอาผู้ใหม่เข้ามาทําอย่างเต็มที่อะไรก็แล้วแต่นะเพราะงั้นอาตมาว่าได้ที่สูจนคนไทยนี่คือวิญญาณไทยวิญญาณตํารวจไทยที่ตํารวจดีๆมีอยู่รู้จักสัจธรรมแล้วก็พ่ายแพ้ต่อสัจธรรม อ า, อ, อาตม า, า, อ า, อตมาข อ, อาไปที่องใช้คําว่าพ่ายแพ้อาตมาขอไปที่ไม่หลงตัวว่าเราชนะอาตมาว่าชนะเพราะว่าเขาไม่ได้ปราบเราลงไปแล้วเขาก็เลิกที่จะทําสิ่งที่เขาจะต้องข อ, อไปเขาก็จะปราบมาจะลุกรานเราแต่เขาก็ไม่ลุกรานนี่คือครูนมความดีของตํารวจที่แทจ้จริงนี่เกิดเหตุการณ์มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปได้ดีเป็นไปได้ผ่านไปจริงนะ เพราะงั้นในความรุนแรงไม่เกิดขึ้นนี้อาตมายืนยันว่าแม้เราจะทำอยู่ก็จะต้องขอให้เกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นหน้ากา ก, ากขาวอาตมาก็พูดไปแล้วอย่าทำให้เกิดการทะเลาะ ก, กันหรืออย่าไปรุนแรงอะไรถ้าจะทำก็ออกมาเต็มที่เลยอาตมาไม่มีเวลายาวไม่มีเวลามากเอาขอสรุปนะตอประเด็นนี้ไปก่อนก็แล้วกันว่านะ อาตมาบอกว่ามีหมู่ฝูงที่ดีต้องพลีชีพลุยนั่นนะ่ะหมูฝูงที่ดีคือหมู่คนไทยที่ได้เกิดและน่ากลาขาวก็หมู่ฝูงที่ดีแต่คนไทยเราเนี่ยมันมีรากฐานมาเนี่ยมันแม่ที่เขพูดกันแล้วว่าถ้าเล่นกีฬาดเดี่ยวนี่เก่งเล่นหมูนี่แพ้มันไว้ยังข้ามเลยไทยเนี่ยนี่คือคาแรคเตอร์ของไทยจะเรียกว่าจิตวิ ญ, ญญาณของไทยก็ได้ เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เรารวมหมู่กันได้ให้เป็นทีมสอดคล้องกันทุกอย่างหยุดได้ไหมหนึ่งเดียวกันอาตมาเชื่อนะว่าจิตใจของคนทุกวันคนไทยนี่มีจุดเป้าหมายต้องการที่จะชําระล้างอะไรในประเทศตอนนี้นี่อาตมามาตรงกันหมดแล้วใช่ไหมจะชําชระล้างอะไรในประเทศขณะนี้นี่นะเข า, เข า, เ, ขาเขารู้ตรงกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอานั้นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องอื่นพักไว้ก่อนได้ไหม อย่าอยากใหญ่อย่าอยากกลางอย่าอยากเป็นผู้นําเข้ามารวมตัวกันเพื่อสร้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือทุกคนออกมารวมตัวกันให้มากที่สุดเพื่อแสดงคะแนนเสียงหรือหัวคะแนนเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงหนึ่งคนหเสียงอัตมาเขาแท้จะปากเก่บปากใสแล้วห้าคนห้าเสียงร้อยคนร้อยเสียงหมื่นคนหมื่นเสียงล้านคนล้านเสียงหกสิห้าล้านคนหกสิบห้าล้านเสียงหกสิห้าล้านคนเนี่ยออกมาสักสามสิบล้านคนให้มันเต็มประเทศไทยเลย จังหวัดโ้นจังหวัดนี้ก็ออกมาเลยปรากว่าวันที่เท่านี้เวลานี้ทุกคนออกมาพร้อมกันหมดเลยในประเทศไทยรวมแล้วสามสิบล้านคนนับได้เลยนี่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยรวมได้ประมาณเจ็ดสิบได้สามสิบล้านคนแล้วเป้าหมายเดียวกันยื่นเลยผว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนี้เช่น จะกู้เงินตั้งสองล้านล้านนี่ไม่เอานะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างมันทําให้เป็นนี่แล้วจะใช้กันไปอีกเท่าไหร่ลลูกล้านเลยไปอีกเท่าไหร่ห้าสิบปีต า, ตายตายตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็บอกมาเชื่อไหมถ้าออกมายืนยันแล้วนี่รัฐบาลต้องหยุดถ้าสามสิบล้านคนออกมานี่คือประชาธิปไตยคะแนนเสียงสดสดไอเป็นเลือกตั้งเดนมั น, นมันเลือกตั้งเดนมประชาธิปไตยขั้นที่ห้า มันไม่ใช่คัน 2, ค้นที่สองขันที่สามขันที่สี่นนะขั้นที่ห้าน่ะประชาธิปไตยอันนั้นนะ่ะแล้วเลือกไปนะั่นคือตัวแทนด้วยไม่ใช่เป็นของสดที่ไหนอัลลาฮฺจะามาไม่สาธยาคั้นหนึ่งสองสามสี่คืออะไรห้าคืออะไรไอ้นี่คั้นหนึ่งเลยแต่ละคนออกมาพึบเลยแท้แท้แทสดสดปัจจุบันนี้เลยต้องการอะไรก็ว่าไป แล้วลองดูซิถ้าเราทําอย่างนี้ทํำไม่ได้วันเดียวก็ทําเราทํากันมาชุมนุมกันมาทักกินกินกันนอนนอกลางถนนมาตั้งสามร้อยกว่าวันคุณจําลองนับสถิติรวมกันไว้แล้วนี่ในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนทําได้เลยมีประเทศไทยทําได้เพราะฉะนั้นสมาชียังมั่นใจว่าคนไทยนี่ได้ข้อสําคัญอย่ามันนั่งอยากใหญ่อยากโตอยากจะทําเพื่อตัวเองอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แม้เพื่อตัวเองอยากดังอยากใหญ่ก็อย่าทําอ้ในราบได้ยศนั้นก็ เอาละอาจจะพอเป็นไปได้แต่ยังอยากใหญ่อยากดังอยากเป็นหวัวยหน้าอยากเป็นอะไรไปไม่ต้องให้หน้ากากขาวเป็นแกนนําเป็นหัวหน้าให้หน้ากากขาวหน้ากากขาวคือนา ม, มาทําหน้ากากขาวคืออุดมการณและทุกคนก็มาทําแล้วก็มาสั้นๆง่ายๆเราต้องการอะไรมีกี่เรื่องบอกมามีหลักฐานยืยนยันบอกไปตอนนี้เราต้องการอะไรให้รัฐบาลทําให้เลือกอะไรให้ทําอะไร แล้วก็ยืนไปไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วก็พูดสุภาพอย่าด่ากันได้ไหมอย่าหยาบคายกันได้ไหมพูดกันเรียบเรืเรร่อยเอาเถอาคุณจะพูดดังไม่ว่าขอคุณไม่แตกพูดไปเถอะพูดดังแต่อย่าหยาบไม่ต้องหยาบไม่ต้องด่าทอได้ไม้มขอไม่หยาบไม่ดา่าแต่พูดดังไม่ว่าเอาเถ อ, อยังงั้นนะ เพราะฉะนั้นเมื่อมีหมู่ฝูงที่ดีก็รีบพรีบบูรณาเหตุการณ์ตอนนี้มีคนบอกมันมันสุกมันงอมมันอะไรแล้วนะเอาจริงแล้วก็ต้องพยายามทานะนะก็เพราะเมื่อว่ามันเป็นจริงว่าประชาชนทนไม่ไหวก็เอาไวสิแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามประชาธิปไตยที่อาตมาพูดคราวนี้นะนะเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวที่อาตมาพูดไปแล้วนั้นนั่นแหละนี่แหละคือความสงบ นี่แหละคือประชาธิปไตยผู้ดีประชาธิปไตยเนื้อแท้นะเพราะงั้นก็พยายาม ท, ทําที่ถ้าเป็นไปได้จริงๆนะและจะมามั่นใจว่าไม่ต้องไปออกมาถึงสามสิบล้านคนหรอกในกรุงเทพนี่คนล้านคนออกมาได้ไหมมีคนตั้งสิบกว่าล้านในในกรุงเทพเนี่ยต่ากยมบัดด้อมมาซุ่มซุ่มก็ได้นี่ไกลๆเคียงๆรวมแล้วสัก ขอร้านเดียวเนี่ยลองดูสิลองดอรูรวมออกมากันให้ได้เลยเนีย่เป็นพฤทผนนท์เอาละอาจจะอยู่กันคนละที่ก็ได้วันเดียวกันเวลานี่ด้วย ก, กันเลยนี่ต่างๆนานๆนออกมาแล้วก็ขานเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าเหตุนี้นะเรื่องนี้นะตรงกันว่าคุณต้องเลือกกันนี้ยืดนไปเลยอ่าเชิญตามาไม่ต้องไปชี้โพรงให้กรอกก็ได้หรอกไม่ต้องสอน จะระคายไว้น้ำอะไรหรอกอะไรที่คุณต้องการกันอาตมาว่าตรงกันอยู่แล้วยื่นอกไปเลยมันอาจจะมีหลายเงื่อนไขหลายข้อที่จะต้องให้รัฐบาลหยุดตอนนี้ใช่มะคุณก็ยื่นไปมีเท่าไหร่ก็ว่าไปถ้ามีมวลเท่านั้นยืนยันออกมาเนี่ยวันเดียวไม่ได้สองวันสามวันก็ลองทำวันนี้ไปกลับกลับไปนอนกับพรุ่งนี้มาอีกมารื่นี้มาอีกอาตมาว่าไ่ถึงเจ็ดวันหรอกจริง ส ง, งบไม่ต้องไปให้เดือดร้อนอะไรถ้าออกมามากนี่ตํารวจก็ไม่กล้าปราบถ้าออกมาน้อยจนะตำรวจก็ปราบใส่อ้นี่ดูซิยังไม่ทันออกมาเริ่มออกมาแล้วตั้งห้าหมื่นคนอะเกณฑ์กันมาแล้วเอาวุ้พร้อมอะไระอะไรพร้อมตั้งแต่ตัดไม้ข่มนามเลยเอาแก๊สน้ำตาลเล่นก่อนเลยยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยผิดกติกากันเป็นตั้งแต่ต้นเลยอย่างนี้มันมันมันรู้แล้วว่าเขาเองเขาไม่อยู่ในร่องในรอยไม่อยู่ในกติกาอะไรหรอก นิติรัฐนิติธรรมอะไรไม่ไม่เอาทั้งนั้นตาบอย่างเดียวชนะอย่างเดียวอันถานแบบนี้ใครไปสู้อะใช่ไหมเราไม่เอาเราเพราะว่าเราเองเราทําไม่เป็นหราอันถานเราไม่สู้เราขอแพ้จริงๆแพ้อันถานเราไม่เอ า, าเราไม่สู้อันถานเราเราต้องทําอย่างดีอย่างนี้แหละนะเพราะอัตมาว่าสังคมขณะนี้เนี่ย ถึงเวลาแล้วละ่ะที่ประชาชนควรจะตื่นก็พูดกันอย่างดีๆแล้วก็ทําให้มันเป็นเป็นเป็นผู้ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่ว่านี้ให้ได้ไหมอาตมาว่าตอนนี้นี่ไม่ว่าใครเจ้าใครพยายามรวมกันรวมกันแต่รวมกันด้วยจริงๆแต่แม้รวมกันไม่ได้อย่างที่ว่าเป็นปึกทั้งหมดเลยต่อเนื่องก็ให้อุดมการณ์มันตรงกันเป็นหนึ่งเดียว นะอุดมการณ์เป็นหนึ่งเดียวเป็นความต้องการหนึ่งเดียวกันไม่ต้องขัดแย้งแล้วไม่ต้องไปเรื่องเล็กเรื่องน้อยเอาไว้ก่อนเอาเป้าหลักๆเอาสิ่งหลักๆสำคัญสาคัญนำเสนอไปเป็นขั้นเป็นตอนมันก็จะเป็นไปได้อนะมันแตะเผื่อว่าไม่ไม่ชัดเจนไอ้ประเด็นปัญหาที่ว่ามันเกิดเรื้อร้อนอันนี้เนี่ยอัตมาไม่อยากให้เกิดไม่อยากพูดนาหน้าไป มันไม่ดีอ่ไม่อยากให้เกิดอยากให้เกิดดีๆแล้วอาตมาก็ยังจะบอกว่าหวังก็หวังจะว่าลมๆแรงๆก็ได้โดยจ้าจะหวังอย่างลึกๆ ก, ก็ได้ว่าอาตมาว่าเมืองไทยมันเคยดีมาจนกระทั่งได้รับคําความยอมรับในหลายๆอย่างที่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีพระประหารกษัตริย์เป็นประมุข แล้วประชาธิปไตยที่พิมมีมหากรัก์ทรงเป็นประมุขที่สุดยอดแล้วที่เป็นประมุขแห่งประชาธิปไตยที่เป็น king of kings เราไม่ได้พูดเราเองนะต่างประเทศเขายกให้เป็น king of kings เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันสุด ประเสริฐแล้วพวกเรานาต้องทําให้ได้นะอาตมาคิดว่าอันนี้คงจะตอบไปในประเด็นนี้พอสมควรแล้วคนไม่เอาไปทําประโยชน์ก็คงจะยาวคนนี้มันจะมากไปอ่าทีนี้มาอีกเจ้านึงอันนี้ยาวมั้งอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหรน่นี่นอบอกว่าตัวเองจะเอาไปทําำไปใช้งาน อในวิทยานิพนธ์ปริยาเอกนะอาตมาพูดเท้าความนะอย่างนั้นก็แล้วกันไม่อยากจะพูดรายละเอียดอะไรพวกนี้มากกว่านีนะ้แล้วบอกว่าหวข้อจะบอกว่ารหัสนะรหัสเซียนในะที่ดึงสอเสือก็ได้เป็นบาลีถ้าเป็นสันส ก, กิตรรหัสเยนใยรหัสเยนใยแห่งการแพทย์วิถีธรรมของชุมชนไทยลาว หัวข้อวิทยานิพนธ์ว่างั้นที่จริงคำว่าของชมชนไทย ล, ลาวอาจารย์เติมให้เพื่อให้มันเข้ากับยุคอาเซียนว่างั้นอ้าวก็ดีทีนี้บอกว่าขอโอกาสอยากจะให้อัตมาสแสดงทัศนะว่าคำว่ารหัสเียนในคืออะไรครับสองในทางวิชารารแล้ว เขาอธิบายว่ารหัสยานัยนี่คือนัยยะที่นยัยยะที่ที่ซ่อนเร้นนัยยะที่ซ่อนเร้นเขาโยงไปถึงประสบการณ์ทางจิตวิยาในว่าผู้เข้าถึงรหัสยานัยเนี่ยหรือรหัสยานัยเนี่ยอตอมาไม่ค่อยถนัดสัร์ศิล์ตัวไรแต่มันก็เอาเถ่ศสตก์ิบาลีมันก็กใกล้กลันมาก เขาอธิบายว่าธรรมดานี้คือนัยยะที่ส่อนเร้นเขาโยงไปถึงประสบการณ์ทางจิตวิญญาณในว่าผู้เข้าถึงรหัสเยนในคือผู้รู้แจ้งดังนั้นสหัสเยนในเนี่ยของพุทธศาสนาคืออะไรค ะ, ะเดี๋ยวอต า, า, าตมาก็าจะตอบไปทีล ะ, ทละข้อทีละข้อ 2.1 มันเป็นนัยยะส่อนเร้นที่พึงปกปิดหรือไม่คะเพราะผาอื่นเาก็มี รหัสยานในสําหรับชนเผ่าของเขารู้กันในเผ่าและปกปิดไม่ให้เผ่าอื่นรู้เหมือนกับคาถาหรืออาคมป้องกันเผ่าเดียวกันหากเผ่าอื่นรู้เข้าจะถูกโจมตีพ่ายแพ้ดังนั้นเผ่าพุทธะพึงปกปิดหรือเปิดเผยรหัสยานในแห่งพุทธคะแม่มันเรื่องดีแล้วเกินเนี่ยอาจารมาว่าเวลาเท่านี้มันจะตอบอะไรได้แทนเนี่ยเนเอานะต่อไปก่อนสรุปสรุปซะก่อน อยากได้ยาว่านี้ไว้เติมทีหลังนะเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่สรุปท้ายมาก็ไม่ต้องแล้วนะาที น, นี้อัตมาก็ขอสาทยายพอสมควรในเวลาพอที่จะตอบได้ตามเวลาที่จากัดนี้ใ น, นประเด็นแรกที่บอกว่ารหัสยานัยคืออะไรรหัส ระโหระหังเนี่ยแปลว่าลับที่ลับนะแปลว่าลับที่ลับหรืออย่างลับๆรหัสสะหรือรหัสสยะตามสรรสักตินี่นะรหัสสะเป็นบาลีมันก็แปลว่าเป็นนามเป็นคำนามน่ะเป็นความลับความเร้นลับหรือเหตุลับมัมีเหตุที่ลับๆนะเพราะงั้นในเรื่องของคําว่าลับนี่ก็แบ่งเป็น สองนัยยะนัยยะคําว่าลับของพุทธนี่นะระหังระโ h เนี่ยคําว่าลับคํานี้เนี่ยของพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดเผยความลับนะแปลแล้วนะรหัสในในัยยะก็คือความหมายของมันหนแง่ความหมายของมันหรือความสักความห น, นึ่งแง่แห่ง แง่แห่งความหมายของมันไนยะเนี่ยอแง่แห่งความหมายหรือแง่ความหมายหรือข้อสําคัญของความหมายของมันเนี่ยเรียกว่านายะเพราะมมีไนยะที่เรียกว่าลับๆเนี่ยนะแง่แห่งความหมายที่ลับนี่ไนยะหนึ่งก็คืออย่างไม่ใช่พุทธเป็นความลับที่เขาเองเขามีอัตตามีตัวกูของกูเขาก็แฝงไว้ของเขาเขาก็ปิดไว้ของเขาเขาก็ลับไวของเขาเขาบอกว่าอันนี้มันดีเว้ย มันเป็นประโยชน์ไว้เห็นแก่ตัวก็เลยเอาไว้ของตัวเองไว้สำหรับตนเองไม่ให้คนอื่นรู้นั่นหนึ่งสองความลับอันนี้เป็นเรื่องไม่ค่อยดีเป็นเรื่องไม่ค่อยตรงเปิดไปแล้วผู้อื่นรู้แล้วผู้อื่นมาจัดการได้ผู้อื่นมาทำลายได้ผู้อื่นมาเอาไปได้รลบเขาก็ได้โทรศัพท์เขาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเปิดไปแล้วเสียผลเลยนะเขาก็เลยไม่กล้าเปิดเพราะฉะนั้น ความลับแบบนั้นจะเป็นความลับของโลกีนเป็นความลับที่ไม่เปิดไม่กล้าเปิดกลัวเสียผละกลัวเสียผลได้หรือกลัวเสียผลที่เขาจะมาทําลายาถือเป็นความลับไวน้นี่เรียกว่ารหัสเสียนัยยะของโลกีทีนี้นัยยะของพุทธนั้นเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกีพระพุทธเจ้า ยิงเข้าเป้าว่าเอาที่จิตเป็นตัวเหตุที่สําคัญมันจะต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของตัวกลัวจะเสียประโยชน์หรือกลัวเขาจะมาทําลายมันคือความกลัวมันคือเรื่องของกิเลสที่มีตัวตนความว่ากิเลสมีตัวตนนั่นก็คือมันกลัวที่จะไม่ได้ลดมันได้มันมันกลัวจะไม่สมโลภมันกลัวจะไม่สมโกรธ ท้อในย่าเท่านั้นแหละเป็นหลักจะละเอียดไปจนกระทั่งถึงโมหะเขค่อยว่ากันแต่หลักใหญ่ก็เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในในย่าของพุทธนั้นไมต่าง ก, กันกับโลกีที่พูดไปแล้วโลกีเขาปิดบังกลัวจะเสียประโยชน์กลัวจะได้รับภัยเขาก็ปิดบังส่วนของพุทธนั้นไม่ปิดเลย ต้องการให้รู้ต้องการให้เข้าใจความลับอันนี้ให้กระจ่างเพราะฉะนั้นคําอันนี้เป็นคากลางๆคาว่าลับอันนี้เป็นคากลา ง, ลางแต่คําว่าลับนี้ในคนที่มีกิเลสมันมากใช่ไมคนในโลกมีกิเลยังไม่หมดตัวตนมันมากความลับที่วลหัด รหัสศาสต์หรือรหัสสะยเนี่ยนะหรือเป็นเรื่องลับๆที่ยังมีอะไรลับๆอยู่เนี่ยนะไซเฟอร์สร้างที็เรียกไซเฟอร์ CIPHER ไซเฟอร์ถ้าผู้ใดสามารถที่จะมีไซเฟอร์คีย์ สามารถที่จะมีไสเฟอร์คีย์พุทธมีไสเฟอร์คีย์พอจะเอนไสเฟอร์ได้ทำให้ความลับอันนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือเข้าถึงความลับนั้นมันจะใช้ภาษาเป็นสองในได้เอาออกก็ได้เอาเข้าก็ได้นะ แต่ก็คือแก้ไขอันนี้ได้เป็นไซเฟอร์คีย์แก้ไขความลับอันนี้ได้เพราะผู้ที่สามารถทำให้ความลับนี้หมดความลับก็คือต้องรู้ว่าเราเองยังมีโลภเป็นตนโทสะเป็นตนคุณล้างความเป็นตนนี้ออกได้ คือเหตุมันคือโรคโกรธหลงเนี่ยหลงคือมันมันมันมันมันยังไม่ชัดหรือมันยังผิดผิดพลาดพลาดตอนจะหมดผิดหมดหลงหมดผิดหมดพลาดแล้วหมดหรือไม่เหลือหลงนี่สุดท้ายก็คือหมดไม่เหลือไม่หลงเหลือก็คือหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงความโลภความโกรธโรคคนกลัวเป็นตัวหลักเมื่อหมดสรุปนะ เมื่อสามารถทําให้ไอ้ความลับอันนี้แหละที่คนไม่สามารถศึกษารู้สัจธรรมมันนี้ได้ล้างความโลภความโกรธนี้ที่เป็นเหตุในความลับที่ทําให้คนมีตัวตนทําให้คนนี่ไม่กล้าหานไม่เปิดเผยและมีความลับไม่รู่วงรู้ความลับจนกระทั่งไม่ลับเลยเรียกในภาษาบาลีว่า อะระหะระหไปบรับอะระหหรืออรหังนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถที่ผู้ใดสามารถที่ได้อระหะไปตามลำดับอระหะเรียกว่าอาระหัตตาอาระหัตผลได้จบสุดเรียกว่าอาระหันอันตะแไปว่าที่สุดจบความไม่รับอะไรอีกแล้ว อาตมาพูดไปอย่างนี้ท่านที่เรียนบาลีเท่านั้ว่าอาตมาแปลเองไม่เป็นไรอาตมาไม่แย่ไม่เที่ยนเแต่อาตมาใช้พยัญชนะนี้อธิบายคนเข้าใจเอาสาระออกพยัญไป้ตไปติดในพยัญชนะเพราะอาตมาว่าอาตมาไม่ได้อธิบายแปลกไปเปลี่ยนไปเพราะอาตมาว่าอาตมาเข้าใจพระบาลีเนี่ยตัวบาลีเนี่ยหลายอย่างไม่ไม่อัดคอไปตัวเองมันหลงตัวเองว่าดีว่าเก่งได้ล็กกว่าไอ้ที่เขาพูดนี่ยังเยอะ อาตอมาว่างันนะนีอข้อภายที่ต้องพูดวันที่วดดีไปเพราะฉะนั้นสรุปแล้วผู้ที่เป็นพุทธนั้ น, นศึกษาธรรมะพุทธเจ้าได้สามารถล้างความลับสิ่งที่ลับลับรู้ยากไอ้ลับนี่ก็คือรู้ยากนะสิ่งที่รู้ยากพวกนี้แล้วดับความลับได้จกนกระทั่งเป็นสิ่งที่รู้แจ้งเป็นสิ่งที่เปิดเผยและหน้าเปิดเผยหน้าแสดงหน้าประกาศ ศาสนาพุทธจึงหมดความลับเป็นอาระโฮอรหังน่ะคือเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในความลับหรือไม่มีความลับปฏิบัติไปก็อาระอระักเขาเรียกว่าอะโฮระโฮขโตระโฮขะตะเข้าไปในความลับนั้นแล้วก็ทาลายความลับหรือเหตุเกิความลับนั้นจนกระทั่ง ไม่มีตัวนั้นอยู่ในจิตใจเลยเมื่อไม่มีในจิตใจมันมันหมดเหตุกายกรรมก็ไม่มีวิจีกรรมก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่มีเลยเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดจริงทั้งใจจริงทั้งกายจริงทั้งนอกจริงทั้งในบริสุทธิ์สะอาดกพราัคนผู้นี้จึงเป็นคนที่ไม่มีภัยไม่มีโทษกับใครไม่มีความลับกับใครแต่สิ่งที่มันลึกซึ้งลึก ลับลบลึกลึกพวกนี้เนี่ยมันรู้ยากเท่านั้นเองมันรู้ยากเท่านั้นเองจึงต้องเรียนรู้ให้ดีดีนเพราะผู้ใดที่สามารถทําให้ตนเองหมดความลับนี้ได้ก็คืออรหัตต์ักหรือว่าอรหัสรหั่นนี่แหละจนสุดท้ายที่พูดไปแล้วเป็นอรหันเลยอรหัตต์อรหันต์ตอรหันตังเลย นะเป็นความที่ทำความลึกลับนี้หมดความขัดขวางทะลุทะลวงหมดเลยเป็นศูนย์หมดเลยศูนเลยเพราะารหัสนี้ก็แปลว่าศูนย์ด้วยนะศูนย์ด้วยรหัสนไนเฟอร์นี่ก็แปลว่าศูนย์ด้วยศูน ย, ยอย่างพวก ที่เข า, าใช้อาร บ, บิกเขาใช้พวกไอ้ น, นั่นคุณมานี่ยเขาเกิดมาจากอย่างเลขอาร บ, บิกเนี่ยมาจากศูนย์หนึ่งสอสีจะไปก้าอยู่ในศูนย์นี่ทั้งหมด น, นนะเขาขีดผ่าเส้นกลางนี่ก็นะทำเดี๋ยวนี้ก็ยังมาใช้กันอยู่ในเครื่องมือทางทางเทคนิคตรงนี้อยู่นะสรุปแล้ว อาตมาตอบปนปนกันไปนะรหัสสไยก็ตอบไปแล้วนะรหัสตะไรรหัสตคือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นผู้เข้าถึงรหัสสัยคือผู้รู้แจ้งเห็นไหมถูกต้องให้จริงเถอะผู้รู้รหัสสันคือผู้รู้แจ้งนะเพราะฉะนั้นนัยยะของพุทธถามว่าแล้วรหัสสไนยะของพุทธทศาสนาคืออะไรก็คือผู้ที่เข้าไปรู้รหัสศั เรื่องหัตยะนะั่นคือสิ่งที่รั บ, ค ว, บนนวความลับันนั้นแล้วสลายความลับสลายตัวเหตุปัจจัยที่มันไม่ดีมันลับมันเป็นความลับมันเป็นความไม่ควรเปิดเผยรู้สิ่งที่ลับที่ลึกนั้นให้รู้ให้จริงรู้ใหจริงแล้วสิ่งที่ควรสลายสลายสิ่งที่ควรยังไว้อาศัยยังไว้เพราะฉะนั้นยังกุศลไวแต่สลายอากุศลคําไม่เรียกอกุศล เยกบาปอาตมาก็อธิบายแล้วว่าบาปคือกิเลสบุญคือการชำระ ก, กิเลสมื่อชำระ ก, กิเลสหมดแล้วก็เหลือแต่กุศลเพราะฉะนั้นคําสรุปของพุะเจ้าใช้พยัญชนะเรียกกันว่าไม่ทำบาปแล้วทั้งปวงผู้ที่บริบูรณ์สุดก็ไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วแม้ที่สุดบุญก็ไม่ทำเพราะบุญคือการชาระบาปการชาระ ก, กิเลส ก็ไม่ต้องชําระเพราะมันหมดแล้วนี่ไม่รู้จะเอาบาปที่ไหนมาชําระก็ไม่ทําทําบาปไม่ทําทั้งบุญเลยเหลือแต่กุศลอย่างเดียวที่ทําอกุศลนี่มันเกิดจากบาปเกิดจากกิเลสกิเลสมันคือต้นเหตุแห่งการทําอกุศลทุจริตเมื่อกิเลสหมดอกุศลก็หมดทุจริตก็หมดเลยมีแต่สุจริตมีแต่กุศลทายเดียว จึงเป็นผู้ที่สัพพาปาปัาาสปะสะก ร, ร, ระนังกุศลัสู้ปัสมปทาเพราะสจิตตปริโยธปนังเพราะได้ชำระ จ, จิตล้างความลับที่ไม่ดีไม่งานที่คนไม่เคยรู้เรื่องบคนเข้าไม่ถึงเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้มันเป็นนามธรรมเหตุลึกเหตุใหญ่นั้นแต่พุทธทำได้ล้างอย่างถูกตัวถูกตนรู้จักสัจจะพวกนี้เป็นปรมาท จิตเจตสิกรูปนิพพานรู้อย่างที่อัตมาพยายามอธิบายก็อยู่เนี่ยนี่ยังไม่ได้แจกรูปยี่แปดไปรืงละเอียดนามมาทำยังไม่ได้บังอาจที่จะอธิบายตอนนี้เพราะอีกจิกตเจตสิกมากขึ้นนั้นอีกต้องโหต้องเท่าไร่เป็นร้อยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึ่งก็ค่อยไล่ไปเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในเผ่าอื่นหรือว่าที่อื่นที่เขายังปก ยังเขาใช้รหัสสําหรับเผ่าของเขาสําหรับแดนของเขาถิ่นของเขาที่ของเขาเพื่อเอาประโยชน์เข้าตนหรือเพื่อป้องกันต น, นเขาก็ต้องทำเพราะเขาเองเขายังไม่หมดตัวหมดตนส่วนพุทธนั้นถึงความหมดตัวหมดตนแล้วก็ไม่ต้องปกปิดไม่ต้องปกปิด แต่ก็ไม่ใช่ว่าโผล่จนกลายเป็นหน้ากลัวจังมีมัตตัญญาตามีการประมาณมีการใช้จัดสัดส่วนมัตตัญญาตานี่ประมาณสัดส่วนตามเหตุปัจจัยองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นกาละไม่ว่าจะเป็นหมู่ชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกครองประวัติยุตาหรือปริสัญญาตามู่ชนนั้นตรงนั้นอยู่นั้นเวลานั้นกาละนั้น หรือมีองค์ประกอบอย่างมีสัดส่วนนั้นๆนั้นๆพร้อมทั้งเราเองด้วยว่าตัวเราก็เท่านี้หรือตัวเราเท่าไหร่ประมาณตนให้ดีอย่าไปอวดเบงอวดใหญ่หลงตนหลงตัวให้เข้าใจให้ชัดว่าเราเองเรามีทุนทางสังคมเท่าไหร่เราจะทำทุนทางสังคมกับเขาได้อย่างไรเหมาะสม มากไปน้อยไปเท่าไหร่พวกนี้เรื่องของสัพพุิสธรรมเจ็ดอย่างถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นจึงจัดสรรของอัตถัตธัญุตาธรรมัญุตาอย่างได้สัดส่วนทำมาคือทุกสิ่งทุกอย่างรวมเลยจัดสรรให้เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างทําองค์ประกอบนั้นเรียกว่ามัตตัญุตาทําองค์ประกอบนั้นให้ได้สัดส่วน ไม่ได้สัดส่วนที่ดีแล้วและในโลกนั้นมันมีทั้งขัดแยง้งมีทั้งเห็นด้วยเป็นธรรมชาติของมนุษย์จึงสามารถผู้ใดสามารถที่จะจัดสัดส่วนนั้นให้สิ่งที่มันขัดแย้งกันนั้นอยู่กันได้อย่างพอเหมาะพอดีเรียกว่าสามคัคคีสามัคคีคือมีความขัดแยง้งอันพอเหมาะจะให้ไม่เกิดขัดแย้งกันเลยในความเป็นหมู่กลุ่ม ยิ่งหมู่กลุ่มใหญ่ก็ยิ่งขัดแย้งกันเยอะแต่ให้ขัดแย้งให้อยู่กันได้อย่างพอเหมาะพอเป็นไปได้ไม่ถึงกับเหมือนกันเป๊ะหมดเลยอย่างเดียวกันหมดเลยไม่ได้ทำไม่ได้ทาได้อย่างพอเหมาะพอเป็นพอไปผู้ใดสามารถทาให้ผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามกันเลยเนี่ยนะ มารวมกันได้โอ้โหคนนี้ฟีมือจริงๆนะแล้วมันจะรวมกันได้โดยเหตุปัจจัยเยอะนะอาตมาสาธยายไม่ได้หรอกวันนี้ไม่พอเวลาไม่พอยกตัวอย่างนิดหน่อยเช่นว่าถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างมวล น, นี้มันมีพลังเอาแต่แค่พลังทางฟิสิกส์ก็ได้เป็นสนามแม่เหล็กที่มีพลังเนี้ยเนียวนำมีพลังอะไรเท่านี้ เพราะฉะนั้นถ้ามวลน้อยเรียกว่าเหล็กอ่อนหรือโมเลกุลน้อยเข้ามาในนี้ก็กลุ่มน้อยกว่าเข้ามาในนี้กลุ่มนี้มีพลังพอที่จะปรับปันนี้เข้าไปได้โดยสุขุมโดยเรียบร้อยโดยสงบโดยไม่ต้องรุนแรงอันนี้เป็นพลังทางฟิสิกส์ก็พิสูจน์ได้ทางนามธรรมาก็พิสูจน์ได้จะมีแรงเหนี่ยวนำพอทีนี้ความซับซอ้อนลึกซึ้งของแรงเหนี่ยวนำเนี่ย ทางโลกเป็นวัตถุมันก็ต้องเอามวลปริมาณมวลอย่างเดียวแต่ทางในบุคคลนั้นมันมีทั้งจิตวิญญาณและมีทั้งมวลมนุษย์มีตัวตนด้วยจึงมีทั้งปริมาณและคุณธรรมคุณภาพที่เรียกว่าอีโ u a ลตี้ที่เป็นคุณภาพนีต้องคุณภาพที่เป็นคุณธรรมด้วยคุณคุณภาพที่เป็นความรู้ความสามารถด้วยแต่ต้องคุณธรรมเป็นหลัก เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นมวลเต็มๆที่จะชนะมวลถ้าเผื่อว่ามีคุณธรรมประกอบด้วยอย่างมีคุณธรรมที่สูงส่งด้วยอีกด้วยพอน้อยๆก็มีผลเหนียวนำได้หรือระ ง, งับความชั่วไม่ให้เขากระทำหรืออ่อนตัว ไม่กล้ากระทำสิ่งนี้ได้โดยมันเป็นเรื่องกว้างเรื่องใหญ่นะเพราะว่าอัตมาอธิบายไม่ไหวยิ่งสังคมทุกวันนี้คมานาคมเป็น globalization แล้วคมานาคมมันทะลุทะลวงถึงกันหมดแล้วตดพูดที่นี่ได้กินเกือบได้กลิ่นแล้วนะยังเริ่ดแต่กลิ่นแต่ได้ยินแน่นอนเลยเสียงนะเอาเสียงเดี๋ยวนี้มันเห็นภาพได้ยินเสียงกันหมดแล้วทั่วโลก ไว้นะถ้ามันทำกลิ่นได้อีโอโหสนุกออาตอนนี้มันทำได้แค่รูปกับ เ, เสียงนะมันถึงกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคมนาคมทุกวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดมีอีทธิผลเพรา ะ, ะนั้นคนที่ทำดีสมมุติประเทศนี้ทำดียิงก็ทำถูกต้องนะ ถ้าคุณทำดีคนหมูน้อยก็ตามถ้าคนในประเทศนี่หมูใหญ่รังแกหมู่น้อยที่ดีคุณแลาผลกระทบทรรต่างประเทศที่เขาไม่มีส่วนโดยไม่มีเอี่ยวด้วยนี่เขาจะมองตรงไหนเขาเขาจะเข้าข้างข้างคุณนัรนทใช่ไหมเขาไม่เข้าข้างพวกหรอกนอกจากคนที่จะไปเอาเถอคุณล็อบบี้กันได้มาก็แล้วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าคนเราจะไปถูกล็อบบี้กันในง่ายๆ ประเทศไหนก็ประเทศไห น, นใครเขากลัเสียศักดิ์ศรีที่จะไปถูกครอบงําทั้งเป็นโรบบี้ได้เสียไปเป็นลูกกระโลอะไรเนี่ยเป็นมันเขาก็ไม่อยากทําอันนี้มันซับซ้อนอาตมาอธิบายประกาศดึกซึ่งซับซ้อนเพราะทุกวันนี้ไม่ได้อยู่โดดเดียวประเทศไหนก็ไม่ได้อยู่โดดเดียวยิ่งเป็นประเทศเล็กถ้าอยู่กันอย่างมีคุณธรรมดีๆไม่ได้ไประารานเขาสมมุติง่ายๆเราเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องดีที่สุดเลย ท, ทํำดีสวยไม่ต้องมูใหญ่หรอก แล้วไปทำถ้ามวลในประเทศไทยนี่แหละมวลหยาบคายนี่แหละทำร้ายเนี่ยต่างประเทศก็จะยอมรับไหมนี่ง่ายงมันมีเหตุปัจจัยพวกนี้อีกเยอะที่อาตมาไม่มีเวลาพอที่จะชัดสายายสองอาตมา ก, ก็ยังไม่เก่งที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเรียบเรียงเพราะอาตมาไม่ใช่นักวิชาการที่เป็นนักเรียบเรียงแม้มีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่ง มีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็มีจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุหนึ่งอะไรนี่อาตมาทําให้เป็น <c oughs> อจริงทางทางวิชาการเขาเก่งแล้วเขาเขาจัดได้มากกว่านี้นี่อาตมาก็พูดด้านหน้าปีเดียวมิติเดียวนะเขาหลายมิติเขาตัวเอกน น, นีเขาทำนะวิชาการเขาจัดหมวดอ่าไรก่อนอะไรแล้วหมวดนั่นหมวดนี้เขาเรียงได้ดีอาตมานี่มันสับสนมันค่อนข้างเยอะมั่ว แต่เจ็ศูนยหน้าเขาถึงว่าอาตมามั่วก็สมง่ายเขาว่าหรอกมันไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ที่เรียบเรียงง่ายที่จะเข้าใจได้เป็นระดับระดั บ, บ, บ, บอาตมาเป็นอย่างนั้นจริงๆยอมรับอยู่ก็าอาตมาไม่เก่งตรงนี้นะสรุปแล้วที่ถามว่าเผ่าพุทธะพึงปกปิดหรือเปิดเผยรหัสนยัยแห่งพุทธก็ตอบได้ว่าเราพุทธะนั้นไม่ปิดเราพุทธท่านอีกคือ นางแบบนูตท่า พ, พุทธท่านี่คือนางแบบนูดผูดน่านาศน่าเกลียดน่าฟังน่าเกลียดอ่ะอะไม่ได้ปกปิดไงแต่คนเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้คนเข้าใจไปในเรื่องกามไปในเรื่องรามงค์ไปในเรื่องเพี้ยนเพียนอ่าเป็นคนที่เปิดเผยทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบงัง นั่นพุทนี่แหละเป็นคนจริงใจเป็นคนพูดเอหรือว่าบอกเปิดเผยมีอะไรก็เปิดแม้แต่พูดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นแม้แต่ทําอย่างไรก็พูดอย่างนั้นอยถาวาทียถ า, ายถ า, าวาทีตถาการีตถาการียถ า, าวาทีถะพูดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นทําอย่างไรก็พูดอย่างนั้นสั่งแท้จริง น, นี่เป็นต้นนะ วัจะบอกว่าพวกที่เขายังซ่อนเร้นเขายังปิดบังมีจริงแล้วพุดเป็นยังไงพุทธไม่ซ่อนเร้นพุดไม่ปิดบังแต่ไม่เปิดในสิ่งที่ไม่สมควรจะเปิดมีสปุริสตรรมอันควรเพราะมันมีผลไม่คุ้มเสียเช่นคนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจก็มีเปิดเผยไปแล้วเสียของก็ได้ เปิดเผยไปแล้วคนเข้าใจไม่ได้เข้าใจผิดก็ได้พอเปิดเผยไปแล้วคนเข้าใจไม่ได้เขาเข้าใจผิดน้าเป็นไงอ้าวก็บรรยายสิ จ, จ้พาพวกคนเข้าใจผิดมันก็เช็ดสิไม่ได้งี้เป็นต้นนะอ้าว阿ะอัตมามีเวลาเท่านั้นเดี๋ยวจะเติมจะมีหัวข้ออะไรที่จะมาถามไทยเอาอีกเพราะว่าทนี่งคงไม่พอหรอกที่คุณจะเอาไปทําอะไรจไรก็เอาแค่นี้ก่อนเป็นเข้าไปก่อนอ่า ก็เขาตอบเท่านี้ก็แล้วกันยาและสองประเด็นหมดเลยเวลายังเหลืออีกในมือนี่พอสมควรอเอาตออ่อตอบต่อไปต่อมาจากพันธมิตรไ ส, สบาท ก, บการที่เรามีนักการเมืองที่สแสวงหาและเสพความสุขจากความทุกข์ของชาวบ้านที่จำนนกับการที่ภาคประชาชนมีความพยายามตื่นตัว ทั้งมองหาผู้ที่มีจิตอาสาที่เต็มใจแบกความทุกข์พร้อมเหน็ดเหนื่อยเพื่อคลายความทุกข์ให้กับชาวบ้านให้กับประชาชนอย่างลมๆแรงๆปลอบใจกันเองโดยหวังว่าจะมีจุดๆฝาพกพบอครูให้กําลังใจด้วยไอจ้จุดๆนี่ให้เพื่อให้มาก็กำลังใจให้กําลังใจาอาจารย์ตะวันเอาลังใจในมันปูตายตายตายตา ย, ตา ย, ตาย อืมทําไมจิตใจของนักการเมืองแบบนี้จึงโหดนักเขาไม่รู้เลยเรือ่อแล้วจะเกิดมีไหมคนที่หวังจะมาเต็มใจเหนื่อยต้นหลังนี่พู ด, พดชักเพอ้อหน่อยนะเนี่ยอาจามาผมก็เข้าใจแล้วจะเกิดมีไหมคนที่หวังจะมาเต็มใจเหนื่อยอ๋อคนที่หวังจะมาเต็มใจเหนื่อยเนี่ยมันจะเกิดเกิดผลอะไรไหม แต่เขาไม่รู้เลยเละนักการเมืองที่โหดจะหาอะไรเนี่ยโอ้สันส้นๆๆๆมานี่ยอาตมาก็ต้องใช้จินตนาการตามเนาะเท่าที่อาตมาจะฉลาดได้เนาะจะรู้ตามคุณถูกไปถูกไม่รู้นะอ่าก็ค่อยๆว่ากันไปเนี่ยสรุปแล้วที่คุณถามมานี่ก็เรามีนักการเมืองที่สแสวงหาความเสพสุขจากความทุกข์ของชาวบ้านนี่ย อาตมาก็ขออภัยต้องต้องพูดความจริงว่ามันจริงเพราะคนเหล่านั้นก็เห็นแก่ตัวแล้วก็ก็หลงความสุขที่มันเป็นโลกีเหล่านี้เพราะงั้นโล ก, กุตระหรือผู้ที่มาปฏิบัติตามพุทธเจ้าเนี่ยลดโลกียะลดลดความสุขความทุกข์ที่เป็นโลกียะพุทธนี่ทำตรงเลยแล้วก็รู้เหตุแห่งทุกนันเป็นอริยสัจจริงๆอริยสัจแปลว่าความจริงของผู้ฉลาดของผู้ประเสริฐที่รู้จริง รู้จริงยงกระทั้งเห็นว่าความสุขโลกรีนั้นมันเป็นของหลอกเป็นสุขคัะลิกะอย่างแท้จริงแต่ของเท็จเป็นความเท็จแล้วรู้เนี่ยไม่ได้พูดโมเมเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงจนผู้ที่มีญาณปัญญาที่เป็นพุทธญาณเป็นพุทธเป็นญาณของไของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยเห็นโลกุตระเป็นความรู้ที่เป็นอาริยชนหรือเป็นอริยกะชาวพนชาวเผ่าอริยกะแท้ เห็นความจริงอันนี้เลยว่าโอ้เราเองจะไปหลงเสพไออารมณ์แรงๆพวกนี้ซึ่งมันเป็นประมาทเรื่องสูงส่งแล้วก็ไม่เสพไม่หลงเสพไม่ไหลไม่หลงเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนอะไรกันบานิดเลยไม่มีก็นิ่งสบายเบาว่างเลยรู้ว่าไอพวกนั้นเป็นอารมณ์แรงๆหลบอกหลบหลอกอารมณ์แรงๆสื้อธรรมาอธิบายอธิบายะติดตามฟังไปเรื่อยๆเถอะธรรมาไม่มีเวลาขายมากกว่านั้น ในช่วงนี้นะสรุปแล้วเราก็รู้ว่ายุคนี้นักการเมืองคือผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางบริหารกับนักธุรกิจอย่าไปเหมาแต่นักการเมืองนักธุรกิจที่เอาเปรียบเอารัดใช้เล่กลนทางทุนนิยมโลกีที่โหดร้ายระบบโลกีที่โหดร้ายระบบทุนนิยมสามาน เอาเปรียบเอารัดหัวกันทั้งอำนาจใหญ่หัววกันทุกอย่างแล้วก็ตั้งหลักเกณฑ์เอาเปรียบเอารัดจนแม้แต่ที่สุดเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้เช่นตั้งราคาเงินเดือนในผู้ที่สูงเนี่ยไม่ได้กินข้าวกับเม็ดทองคำซะหน่อยแต่เงินเดือนเป็นล้านเนี่ยไอ้คนที่ข้างล่างนี่มันมีอัตราส่วนศูนย์ พวกราษฎรเต็มขั้นไม่ได้จากใครเลยได้จากเลือดเนื้อตัวเองเนี่ยเขามีรายได้จากจริงได้จากยางเงินแรงงานตนเท่านั้นไม่ใช่เช้าชามเย็นชามก็ล้านพรอเงินเดือนตั้งไว้เราล้านไม่เช้าชามเย็นชามไม่ได้ต้องปา ก, กัดตีนถีบเขาจึงจะมีจากศูนย์มาเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นห้าจะพอกินจะอยู่กับเศรษฐกิจสังคมในแต่ละกาลนั้นได้ไหม เขาต้องพยายามซึ่งเป็นความหนักหนาสาหัสมากโดยสังคมทุกวันนี้พรากความเพ่งแกตตัวความไม่มีภูมิธรรมความที่ไม่รู้สัจธรรมและไม่รู้ว่าตนเองเอาเปรียบเขาก็ดีโกงก็ดีทุจริตก็ดีนะมันบาปเขาไม่รู้จักบาปจากบุญแล้วก็ไม่กลัวบาปกลัวบุญเอาละบุบุญนั้นไม่กลัวหรอกเขาไม่กลัวบาปบ เ, าบบเขาไม่เมชื่อว่าบาปมีจริงอะไรก็แล้วแต่อีกเยอะเลย มัจธรรมเหล่านี้คนพวกนี้เขาไม่เอาแล้ ว, วเหลือแต่ผู้ใดจะเอามาอาตมาตเต็มใจที่จะทำงานร่วมบรรยายให้ฟังมีอะไรก็เปิดเผยนูดเลยเปิดเผยอย่างนูดอาตมาเนี่ยนู่ดตัวเองแต่ก็มีลีลาอยู่นะว่าไม่ใช่แบบ เปิดยังไม่มีศิลปะมีศิลปะนั้นู้จังอาตมาเนี่ยมันทาเล่นไปเถอะเปิดอยู่ะะะะนะยังพอ ด, ดีแล้วนะเพราะงั้นถ้าเปิดว่าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเมืองไทยเป็นเมืองพุทธของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดแล้วก็ขอสรุปลงตรงนี้เลยแต่มันเสียดายที่มันมิฉาทิฏฐิข้อไปอีกที่ไปว่าเขา มาศึกษาให้สมาธิเถอะแล้วก็ภาคเปลี่ยนให้ได้จริงๆผูดด้ใดได้แล้วก็จะรู้จะเข้าใจผูใ้ใดยังไม่ได้ก็ก็อัตมาเขาไม่รู้จะว่าไงก็ไม่ได้นั่นแหละถ้าเห็นว่าจะช่วยประเทศชาติแล้วอัตมาไม่เห็นทางอื่นเอาโลกี้ไปล้างโลกี้ไม่ได้หรอกลาบากนะมันต้องคนนี้แรงคนนี้ต้องแรงกว่าคนนี้รวยคนนี้ต้องรวยกว่านะคนนี้โกหกเท่าที่คนนี้ต้องโกหกให้ลึกซึ้งกว่าคนนี้ต้องโกหกให้ลึกล้ำกว่า มันไปอย่างนี้ทุกทีจริงๆ้าไม่เช่นนั้นเราไม่ชนะกันใจนี้ไม่ใช่คนทำพูดไม่ใช่เลยไม่ทําเลยอย่างนั้นโลกยิ่งมากกว่าไม้เสียสละได้อถ้าเราสามารถจะเสียสละเสียสละให้คุณเอาให้รวยให้เข็ดเลยพราอยากรวยอะ่ะเพราะเราถึงจะมาจนกันมุ่งมาจนเต็มใจจนตั้งใจจนจนอิลีอีหรอ หลายคนยังจนไม่เสร็จต่อมาคนในชุมชนไม่ประสงค์ออกนามไม่ปรารถนาให้แจ้งที่มามาแจ้งก็ได้ก็คุณไม่บอกมาะจะแจ้งได้ไงอยากให้พ่อท่านเน้นเกี่ยวกับการเงินบุญนิยมกับจิตใจคนบุญนิยมจะมีรูปธรรมกายกรรมวิจิกรรมมโมนกรรมเช่นไรตอบสั้นๆก็ไม่มีเวลาแล้วมาดูอย่างชาวโศกกายกรรมวิจีกรรมมโมนกรรมอย่างชาวโศกยังไม่งามเท่าไรแต่เป็นบุญนิยมละ เป็นรูปร่างของบุญนิยมแล้วไม่ว่าเกี่ยวกับการเงินหรือจิตใจของคนบุญนิยมมีแล้วคำว่ายามศึกเราพร้อมรบยามศึกสงบภายในซ้อมรบกันเออเพิ่งได้ยินโมอตโตนี้ไว้ยามศึกพร้อมรบยามศึกสงบภายในซ้อมรบกันเพิ่งเคยได้ยินเนาะใครเคยได้ยินมาก่อนไหมเนี่ยเออเนาะ ยามศึกเราพร้อมรบยามศึกสงบภายในซ้อมรบกันลูกพ่อท่านมีบ่อยไหมอ๋อถามมาที่เราลูกพ่อท่านมีบ่อยไหมเออมีบ่อยไหมเอ้อยามศึกสงบภายในก็ซ้อมรบกันเ อ, อเอาจริงนะเราก็ซ้อมรบกันซ้อมเพือ่อนยางพวกเราเนี่ยคือไม่ค่อยเอาจริงทรเท่าไหร่แล้วซ้อมรบกันอันนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติพระเจ้าต้องก็ะตัก เพราะคนเรานี่นะแม้แต่จะเริ่มเป็นอริยะบุคคลฐานต้นเป็นโซดาบันก็ยังมีห อ, อกเรียกว่ามุขสติห อ, อกทางปากเพราะงั้นปากนี่แหละมันกายกรรมไม่อยากแหลจะเห็นได้ชาวโซนนี่ไม่ถึงมือถึงเท้ากันหรอกใช่มสี่สิบปีนี้ไม่มีคดีแต่ปากหอกนี่เจ้าประคุณเอ้ยแหลมมั่งไม่แหลมมั่งคมมั่งไม่คมมั่ง ปากหอกนี่หอกคมคมก็ยังอุตส่าห์โอ้โหแทงเจี๊ยบก็จะไปรู้ว่าถูกแทงกลับไปบ้านนอนสามวันแล้วคุรู้ว่าเฮ้ยนี่เขาแทงเรานี่ยว่าแม่แทงได้แหลมคมมากก่็จะรู้ตัวแต่อีที่มันไม่แหลมคมในสัตว์ตุ๊กอย่างนี้ก็ม้าขึ้นเลยก็มีแต่ก็ไม่แรงพวกเราก็ไม่แรงมุขสัตตีก็ไม่แรงแต่แม้โสดาบันก็รู้จักวิติมกิเลสแล้วในปัญญาเจ็ดชัดเจนท่านาจาบอกอ่า ก็ยังเหลือตรยุทธานกิเลสมันก็ต้องทิมแทงกันด้วยมุขสตีโดยปากหอกบ้างท่านแปลเป็นไท ย, ใ น, นยนในพรยัญชนะในพระเจ้ากิดาแปลว่าปากหอกก็อะไรนี้บ้างก็เราก็ซ้อมรบกันจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าหมายใจดีดียังพ่อแม่เลี้ยงลูกนี่ต้องการให้ดีหอกของพ่อแม่กันดาวลูกว่าลูกไงแต่ใช่ไหมจิตในปัถนาดีใช่ไหมพ่อแม่ว่าลูกกระดาอย่างงานอย่างนี้ก็ตาม แม้จะมีอารมณ์โกรธเพราะว่ายังเป็นปุถุชนแต่จิตลึกเลือกจะต้องการให้ลูกดีใช่ไหมที่ดา่าที่ว่าบางที่ดา่าหยับๆคล้ายๆด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่จิตลึกเลือกเนี่ยไม่ใช่ดา่าเพื่อที่จะไปทําร้ายทําลายใช่ไหมมีความปรัถนาดีที่จะให้รู้สึกตัวว่าไอ้นี่ไม่ดีนะมันยังง่วงยังงี้อะไรก็ดา่าผสมไปโดยโวหารโดยอารมณ์โลกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง มาเรียนรู้แล้วก็ใช้อย่างอาตมาี่ปรุงแต่งนี่แร ง, งแรงไรหลายอย่างเนี่ระสมควรเพราะยุคนี้เลยจําเป็นนะนี่ไม่ใช่แก้ตัวเรืงจริงอ่ะอ่ละยามศึกอ่าในภายในซ้อมรบกันบ้างหรือเปล่ามีบ้างแล้วก็ยังมีปัญญาที่จะซ้อมรบกันโอ้นี่ยาวจังนี่ไม่อ่านหมดเวลาแล้วอาตมาขอผ่านอันนี้ยาวนะขอผ่านมาอันนี้โอ้โหเนี่ของสองรอบสีบูรพาเนี่ยโอ้ยาวอ่ะเอาไว้ก่อน อเอาต่อมานิสั้นหน่อยโอ้มีแต่คนอยู่ๆเนาะนี่เนาะฟังทมพ่อท่านมาหลายครั้งรู้สึกประทับใจมากผมฝึกจิตมาตั้งแต่ปี2528ถึงปัจจุบันเวลากำหนดตัวผู้รู้ที่จิตจะเห็นว่ามีผู้รับกับผู้รับกับเจตสิกที่มันเกิดดับอยู่เห็นว่ามีผู้รับกับเจตสิกที่มันเกิดดับอยู่ แต่สติยังเผลออยู่ขอให้พระท่านอธิบายแนวทางด้วยถ้าผมอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ผมจะเจอท่านได้ที่ไหนครับได้ที่พบถ้าไม่พบก็ไม่ได้เจอนะก็มาจะเจอกันก็เจอได้แต่มาเป็นคนไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตจกนกระทั่งพบยากแต่ว่าอาตมามันไม่ค่อยจะได้ออกมาสังสรรค์อะไรกับใครสักลายเพราะว่างานมันเยอะก็เท่านั้นเองไม่ได้แก้ตัวอะไรก็เลยไมไ่ค่อยพบกับใคร หรือแม้พบก็คุยสั้นอาตมาไม่ก็ทุกยาวเยออะไร่าจจะใช้เวลาแสดงธรรมนี่แหละ ย, ยาวแต่กับส่วนตัวนี่จะไม่ค่อยคุยกันค่ยาวเท่าไรนะไม่ใช่เป็นคนที่ใจดําอะไรดอกนะทีนี้ที่คุณพูดนี่นะอาตมาเข้าใจนะคุณบอกว่าก็ผู้ที่รูจ้จะเห็นว่ามีผู้รับกับเจตสิกที่มันเกิดดับอยู่คําว่าผู้รับของคุณกับ เจตสิกที่มันเกิดดับนี่อาจจะมาว่าคุณเรียนมาตามที่เขาสอนกันโดยเหมาว่าเจตสิกเจตสิกนี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอันนั้นน่ะมันเดาและเดาถูกด้วยคือจิตมันเกิดดับนะใช่เพราะฉะนั้นคุณจะไปดูมันไม่ทันดูมันยากทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาสอนเนีท่านจะสอนให้หนึงให้ตามดูจิตเจตสิกให้เห็นจิตเจตสิกตัวที่คุณจะดู เรียกตัวนั้นว่าสักกายะกายแปลว่าองค์ประชุมสักกะแปลว่าตนเองเพราะเอาองค์ประชุมของสักกะที่อาตมา ก, กำลังอธิบายเรื่องกายเรื่องรูปเรื่องน้ำอยู่นี่แหละองค์ประชุมเมื่อกระทบทางตาแล้วมันก็ไปเป็นองค์ประชุมไปเป็นกายในแล้วก็ไปเป็นเวทนาเป็นสังขารอะไรนี่เป็นวิญญาณเป น, นี่นี่แหะอ่านตัวนี้โดยคุณตั้งเงื่อนไขเรียกว่าศีลเอาเรื่องนี้ก่อน ถ้าคุณไม่มีเรื่องนี้ชัดๆคุณไปรู้เลอๆเตอะเอเปลือๆคุณไม่รู้รายละเอียดของความจริงนี่ต้องเรียนรู้มารู้จักประมาทความจริงของมันให้ชัดในเรื่องนี้แหะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องเดียวก่อนได้แล้วคุณอานกิเลสที่เกิดจากอันนี้อันอื่นอย่าเพิม่มไปสนใจอันอื่ น, น, นมันจะเกิดกิเลสยังไงเช่ามันเอาอันนี้ก่อนแล้วคุณจะเห็นสัรกจยะเห็นตัวตนที่เกิดจากการสัมผัสมีปัสจัเป็นปัจจัย จับได้มีพัะจะสามแล้วก็อ่านรู้มันประชุมกันแล้วเป็นกายในมันมาเป็นเวทนาแล้วหาเหตุในเวทนาเวทนาในเวทนาได้เหตุมันก็คือตัวตัณหารหรืออุปทานและคุณก็กําจัดตามวิถีพระเจ้าท่านบอกนะจนคุณเห็นตอนนี้นะท่านเรียกว่าปัจซีแปลว่าเห็นตามเห็นอนิจจังไม่ความไม่เที่ยงในว่าอนิจจาหรือปัสซีแล้วก็ทําให้กิเลสนี่แหละตัวสักกายะตัวนี้มันลดลงลดลงลดลง สักกายะตัวนี้เนี่ยเรียกโดยภาษาคอมมอนนาวเรียกว่าอัตตาเรียกตัวที่ค <vivo> ุณรู้ตัวมันแล้วนี่เรียกว่าสักกายะเป็นเพราะพนาวเพราะเป็นตัวจำเพาะที่คุณรู้จักตัวมันแล้วจับตัวมันได้และคุณก็ทําอัตตาที่เรียกว่าสักกายะตัวนี้แหละให้มันลดลงลดลงเห็นมันลดลงเรื่อยๆฉันเรียกว่าวิราคานุปัตซีตามเห็นนี่แหละจะเห็นความลดลงคือมันค่อยๆดับนี่เรียกว่าอ่านความเกิดความดับ ที่มีระดับเบื้องต้นท่ามกลางมันปลายไม่ใช่ดับคุณจะดับได้ดปุบ๊บตัวปั๊บดับมันปับ๊บเก่งอย่างนั้นก็เอาที่เพราะฉะนั้นมันลดมาจนมันดับเรียกว่านิโรธานุปัตซีตามเห็นว่าเออมันก็ค่อยจางคลายอยู่หรือน้อยหรือตัวน้อยจนมันดับได้เป็นสมุนเฉ่เออมันดับแล้วดัดขาดได้แล้วสมุนไช่ขาดได้แล้วมันไม่มีล้วทามันอีกปฏิปัจฉิปอาหารต่อไป อาหารอย่างนี้แหละเสวนาภาวนาพระหุรีกัม芒ทาซ้ําทําซ้ําทําอีกทําอีกอีกอีกคุณก็จะเห็นความเป็นนิโรดนิถาวรนิโรดนิมั่นคงนิโรดนิยั่งยืนเห็นความดับถาวรตานี้ความเกิดไม่มีชาติหมดไปเลยพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีไม่มี เ, เกิดอีกเลยเป็นอภินิพันติถึงขั้นนิพพาน เป็นการเกิดของพระอริยะการเกิดของพระอาหารหันต์อภินิพัตนี่แปลว่าการเกิดจำเพาะการเกิดวิเศษการเกิดของสิ่งที่อันหนึ่งตายอันหนึ่งเกิดก็ต้องเข้าใจชาติสัญชาติโอกันติอกันตินิพพติอภินิพัฒติที่อาตมาอธิบายอยู่เนี่ยโดยข้องนามธรรมตรงนี้ยชาติทั้งห้านี่ก็ต้องขยายความในต่อไปและจะขยายความในรูปมีคนติดตาม เพาะมันต้องถูกรู้ความเป็นชาติถูกรู้ความเป็นสัญชาติถูกรู้ความเป็นอกกันติถูกรู้ความเป็นนิพพติถูกรู้แม้ความเป็นอภินิพพตินั่นคือคุณมีนิพานที่ถูกรู้ซึ่งคุณรู้แล้วคุณก็เอาอธิบายยากเพราะมันจะเปรียบเทียบก็อะไรก็ลาําบากอย่างนี้เป็นต้นโปรดติดตามเวลาล่วงเลยไปมากแล้วนอาตมาก็คงอธิบายได้ตรงนี้นะ นอกนั้นที่ยังค้างอยู่ก็ขออภัยตอบไม่ได้สำหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วอาตมานี่ใช้เวลาอย่างเท่าไหรก็ไม่เหลืออ่ะขอเจริญธรรมทุกคนจบด้วยดืวย